พระอาจารย์ครับการนมัสการครับผมจเจริญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับพระอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่สองร้อยสี่สิบแปดนะครับผมเมื่อเช้าพระอาจารย์บินาบาติคนไปเยอะไหมครับผมก็ประมาณเท่าเดิมสี่ร้อยห้าคนสี่ร้อยห้าคนครับทางบ้านก็สองร้อยกว่าเช่นเคยไหมครับพระอาจารย์ประมาณสองรอยเจ็ดสิบครับพระอาจารย์ แล้วตอนบ่ายไปฟังธรรมกันเยอะไหมครับวันนี้ก็สองร้อยสิบห้าคนโอนี้<ม>วันนี้หลายเยอะชาวต่างประเทศชาวมาเลเซียสิงคโปร์มาทักงสามสี่สิบคนมาร่วมฟังธรรมนั่งสมาธิด้วยอ๋อแล้วเราพารย์ต้องเทศเป็นภาษาอังกฤษด้วยไหมครับวันนี้ก็พูดภาษาไทยเราเราเวลาที่ถามตอบคําถามให้เขาถามภาษาอังกฤษได้ครับด<ช>ีวันนี้ก็รีบไป หลังจกเสร็จจาการนั่งสมาธิถวายของเสร็จเข้าว็กับกันเลยไม่ได้คุยกันครับผมกลับสาธุครับพระอาจารย์ครับวันนี้ก็ตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดร้อยคนแล้วครับพระอาจารย์ครับที่อยู่ครับตอนบ่ายรวมงั้นก็แปดร้อยกว่าแปดร้อยสบกว่าสาธุครับพระอาจารย์ครับวันนี้อยากขอปัญญาพระอาจารย์เรื่องการสร้างบารมีครับพระอาจารย์ครับขอปัญญาพระอาจารย์นะครับ คือบารมีทางพระพุทธศาสนานี้เป็นส่วนประกอบของพระนิพพานบ้านที่ถาวรของใจใจของพวกเราตอนนี้ยังไม่มีบ้านถาวลอยู่กันเพราะเรายังอาศัยบ้านของร่างกายบ้างอาศัยบ้านของเทเบ้างของพรหมบ้างหรือถ้าไปทําบาปทํากรรมก็อาศัยร่างของสัตว์เลี้ยงานอยู่ไปพ่งๆก่อนทีนี้ ถ้าเราอยากจะมีบ้านสร้างบ้านขึ้นมาเองในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนบอกวิธีสร้างเราก็ต้องอาศัยการสร้างบารมีสิทประกรันนี้ขึ้นมาด้วยตัวเองเป็นพระโพธิสัตว์เพราะว่าไม่มียังไม่มีใครรู้วิธีที่ช้นกว่า น, นี้นัดกว่า น, นี้ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้ก่อนได้พบพรินิพพาน แล้วถึงจะรู้วิธีที่สั้นกว่า น, นี้ก็คือมรรคที่ไม่องแปดแต่ในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาแล้วเราอยากจะสร้างพระิพพานขึ้นมาเองเราก็ต้องอาศัยการสร้างบารมีสิบประการอย่างที่พระพุทธเจ้าเคยกระทํามาเพราะพระองค์นี้ก็ขวนขวายที่อยากจะได้ลดพ้นจากความทุกข์ก็เลยสร้างบารมีต่างๆขึ้นมา ด้วยลำพังตามความรู้ความสามารถของพระ อ, องค์เองจนในที่สุดก็สามารถสร้างเป็นพระนิพพานขึ้นมาตัดสนรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ด้วยพระ อ, องค์เองแต่หลังจากที่พราในคตัดสนรู้แล้วพระ อ, อ, องค์ก็ทรงค้นพบว่ า, าถ้าอยากจะสร้างว่านพระนิพพานนี้ก็ใช้ม็กแปนนี้ไปเลยก็ได้ว่ามีบางข้ออาจจะไม่ต้องไม่ต้องสร้างก็ได้เพราะว่ามันเป็น เป็นผลที่จะตามมาจากการสร้างมรรคแป้นี้โดยตรงอือทีนี้บ๊ะมรรมิสิปการนี้ก็เหมาะสําหรับเวลาที่เรามาอเกิดนในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาแต่เราอยากจะพ้นทุกข์ถ้าเราสะาสมมามเมรุนี้ไว้ในใจมันก็จะติดเป็นในิสัยไปครับเราทุกข์พบเจคันที่เร า, าเกิดเราก็จะหมั่นสร้างบามรรมีต่างๆตามแต่โอกาสตามแต่เหตุการณ์ที่จะทําทให้ เราสร้างา่ามีชนิดไหนมากมากน้อยต่างกันไปอย่างในกรนี้ของพระพุทธเจ้าบางครั้งก็มาเกิดเป็นเจ้าชายเป็นพระเวสสันดรก็มีทรัพย์สมบัติมีอะไรมากมายขายานก็ได้ท่านก็เมตตาแจกทานบางครั้งก็ไปเป็นพระมหาชนกไปลอยลอยอยู่กลางทะเลต้องอาศัยการความเพียนพยายามว่ายน้ําให้กลับเข้าสู่ฝั่งไห้ได้ ในแต่ละภพแต่ชาตินี้ก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆที่มากระตุ้นให้สร้างบา ร, รมีต่างๆขึ้นมาแล้วแต่ภาวะก็มีสิทที่เราเรียกว่าพ ร, พระเจ้าสิทชาตินี่เองเป็นการชาตินึก็เป็นในแต่ละพบแต่ชาติที่ทรงเน้นสร้างบา ร, รมีชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นกรณีพิเศษพระมเหสนรก็สร้างทานบา ร, รมี พระมหาชนกเขาสร้างวิริยะบารมีเป็นต้นทีนี้ถ้าเราอยากจะสร้างบารมีเพราะเราคิดว่าพบนิชานนี้เราคงจะไปไม่ถึงนิพพานเนี่ยเพราะเรายังติดอยู่กับโลกกับเมียกับติดกับครอบครัวติดกับอะไรนี่จะไปมันก็ยากว่าขอสร้างบารมีไปพังพังก่อนปลูกฝังจิตให้มีบารมีติดตัวไป บารมีนี่ก็มีอยู่สิบข้อด้วยกันเร้่มตั้งแต่เมตตาบารมีตามดมวทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีอุเบกขาบารมีปัญญาบารมีแล้วก็มีอธิษฐานบารมีสัจจะบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีมีคือสิบข้อบารมี สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างบ้านด้วยตัวเองต้องสร้างบา ร, รมีเหล่านี้ขึ้นมาในแต่ละภพแต่ละชาติที่มาเกิดดังนั้นบา ร, รมีเหล่านี้จะครบสมบูรณ์เหมือนกับเจ้าชายศิท ธ, ธัตุที่มาสมบูรณ์ในในชาติที่มาเกิดเป็นเจ้าชายศิทธัตุก็เลยสามารถตัดสัมผัพานิพานเข้าถึงพานิพานได้ด้วยตัวเองทีนี้บารมีสิประการนี้มันมีแบ่งเป็นสองส่วนด้วยกันครับคือ ส่วนประกอบของบ้านนี้บ้านก็ต้องมีส่วนประกอบใช่ไหมต้องมีรากฐานต้องมีเสามีมีพื้นมีประตูมีหลังคามีอะไรต่างๆมีโครงสร้างเบารมีนี่หกข้อนี้จะเป็นบารามีที่เป็นส่วนประกอบของของบ้านคือเมตตาบารมีทานบารมีศีลเบารมีอุเบกขาบารมีนิขธรรมบารมีและปัญญาบารามีอันนี้เป็นเหมือนส่วนประกอบของบ้าน ช่วเมตตาบารมีนี่ก็เป็นเหมือนรากฐานของบ้านก่อนที่เราจะสร้างตึกสูงๆนี่เราต้องทำรากฐานให้แข็งแรง ก, ก่อนลอกเสาเข็มให้แน่นหนาเพื่อที่เวลาสร้างแล้วบ้านจะได้ไม่ทุดถ้าฐานมันไม่แน่นสร้างขึ้นไปตึกสูงๆนี่ก็สุดลงมาถล่มลงมาได้อ๋อองค์ประกอบของบ้านนี่มีอยู่หกหกส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือฐานเมตตาบารมี อันนี้เป็นรากฐานของความดีงามทั้งปวงการที่เราจะสร้างความดีงามต่างๆบา ร, รมีต่างๆมาได้เมื่อตอนเราต้องมีเมตตาก่อนเรามีเมตตากับสรรพสัตว์ทั้งปวงเป็นต้นก็จะทำให้เราสร้างบา ร, รมีข้อที่สองได้ก็คือทานบา ร, รมีเวลามีความเมตตาเราปรารถนาให้ทุกคนมีความสุขถ้าเรามีอะไรพอแบ่งปันให้ผู้อื่นได้เราก็ยินดีให้เขาไป S <S <an itary> เราก็จะสามารถทำทาบนบารมีได้เบื้องต้นเราต้องมีเมตตาก่อนถ้าเป็นตัวคารก็ต้องตอกเสาเชียงไม้แน่นก่อนก่อนที่จะตั้งเสาสั้งโครงสร้างขึ้นมาได้ตั้งเสาตั้งอะไรต่างๆขึ้นมาเ น, นี่ยต้องมีรากฐานที่แข็งแรงการจะทำทาบนบารมีได้ก็ต้องมีเมตตาบารมีก่อนเมื่อเรามีเมตตาบารมีทำทาบนบารมีได้เราก็จะสร้างศีลบารมีได้ พรผู้ที่ทําบุญทำทานนี้จะเป็นคนที่ไม่ชอบเบียดเบียนผู้อยากจะให้ความสุขทําอะไรก็ระมัดระวังไม่ให้ไปเกิดความเสียหายเดือนร้อนแก่ผู้ก็จะรักษาศีลได้อย่างง่ายดายทำอะไรก็ระมัดระวังว่าจะทําให้คนเขาตายหรือเปล่าจะทําให้คนเขาเดือดร้อนจากการกระทำของเราหรือเปล่าเป็นต้นก็จะสร้างศีลบารมีได้พอสร้างศีลบารมีได้ ก็สามารถที่จะสร้างในขมะบา ร, รมีต่อได้เพราะในขมะบา ร, รมีก็คือการรักษาศี่งแปดนี่เองในขมานี้เป็นสองส่วนส่วนแรกคือการไม่ทําบาปสี่ข้อแล้วอีกสี่ข้อหลังนี้เป็นการะระงับการหาความสุขทางตาหูจมูกมือกายในขมะคือการออกจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสการเส่กลาม สิบแปดก็จะห้ามไม่ให้ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนไม่ให้รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วไม่ให้ดูหนังฟังเพลงบดูลระเบอกระสอบบันเทิงต่างๆไม่ให้เสริมสวยความงามของร่างกายด้วยน้ําหอมน้ํามันด้วยเครื่องสอําอางต่างๆด้วยเสื้อผ้าพอรอที่มีจิตพิศละลานแล้วก็ไม่ให้นอนมากจนเกินไปไม่ให้นอนบนเตียงที่มันสุขสบายเรียกวาเตียงสําราญ นอนแล้วมันจะนอนพอตื่นขึ้นมาแล้วมันยังยังอยากจะนอนต่อให้นอนเพื่อพระผ่นร่างกายวิธีนอนเพื่อพระผ่นร่างกายก็นอนมันพื้นแข็งๆเวลาร่างกายเหนื่อยเลยก็จะนอนหลับได้แล้วพอได้พระผ่นพอสีห้าชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะพื้นมันแข็งมันไม่นุ่มเหมือนกับนอนบนฟูกนะั่นแหละก็จะได้เอาเวลามาเจริญบรารมีข้อต่อไปก็คือ อุเบกขาบาลมีถึงสิ้นแตะแล้วเราก็ไปเจริญอุเบกขาบารมีนั่งสมาธิกันให้จิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิให้เข้าฌานสี่ให้ได้เราเข้าฌานสี่ได้เราก็จะมีอุเบกขาบารมีปรากฏขึ้นมาอุเบกขาคือการนิ่งเฉยปล่อยวางอยู่เฉยได้ไม่ไม่มีอารมณ์มาก่อกวนใจเช่นความรักชังโกหลงไม่จะไม่มี เวลามีอุเบกขาขึ้นมาเห็นอะไรก็จะเฉยได้ยินอะไรก็จะเฉยใครก็ชมก็ไม่ได้ดีใจใครก็ด่าก็ไม่เสียใจอันนี้สําคัญเพราะว่าถ้าไม่มีอุเบกขาบารามีเวลาใครชมก็เกิดความอยากให้เขาชมเราไปนานๆเวลาใครก็ดา่าเราก็อยากจะให้เขาหยุดพออย่างแล้วมันก็เลยมาสร้างความทุกข์ให้กับใจขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องเฉย ใครชมก็รับรู้เฉยๆไปใครด่าก็รับรู้เฉยๆไปใครให้อะไรมาก็ไม่ดีใจใครขโมยของเราไปก็ไม่เสียใจอย่างนี้คือเป็นการมีอุเบกขาถ้าไม่มีอุเบกขาเวลาสัมผัสกับสิ่งที่เรารักเราชอบหรือเราเราชัางนี่ยเราจะมีปฏิกิริยาเราจะทุกข์ขึ้นมาทันทีพอเรามีอุเบกขาแล้วเราก็สามารถไปเจริญข้อต่อไปนั่นคือปัญญาบารามี พญาก็จะสอนให้เรารู้ว่าสิ่งต่างๆที่เรารักเราชอบหรือเราชังนี้มันเป็นอนิจจังไม่เที่ยมรักถ้าถ้ า, ารากแล้อยากได้มาพอได้มาแล้วเดี๋ยวพอของมันไม่เที่ยมเดี๋ยวมันก็หมดไปแล้วมันจากเราไปแล้วก็จะเสียใจนั้นถ้าถ้าเห็นว่าทุกสงังทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยมไม่ใช่ของเราเราควบคุ ม, มคบังคับเก็บไว้ให้เป็นของเราไม่ได้เราก็จะได้ไม่ทุกข์ เราก็จะได้ไม่อยากเพราะถ้าเราไปอยากในสิ่งที่มันไม่เที่ยงมันก็จะทําให้เราทุกข์อันนี้คือปัญญามารมีเห็นทุกข์เกิดจากความอยากและวิธีจะหยุดความอยากก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่อยากนั้นเป็นเป็นอนิจจังทุกขังของนัตตาอนนพอมีปัญญารู้ว่าต้องหยุดความอยากก็อา ศ, าศาัยเบกขาเป็นผู้ใช้ผู้ที่จะมีกําลังสู้ความอยากได้ น, นี่คือส่วนประกอบของบ้าน ข้อด้วยกันแต่การที่จะสร้างว่ามีหลัง น, นี้ขึ้นมาการที่จะไปหาส่วนประ ก, รกอบของบ้านหลังนี้มารวมกันให้เป็นบ้านได้นี้ก็ต้องอาศัยเครื่องม้าเครื่อง ม, อมือมามีสี่ข้อมามี4ี่ข้อที่เป็นแบบเป็นเหมือนเครื่องมา้าเครื่องมือเหมือนกับเวลาที่เราสร้างบ้านนะนอกจากเรามีอุปรกรณ์ก่อสร้างแล้วเราก็ต้องมีวัสดต้องมีเครื่องมา้าเครื่องมือใช้ในการก่อสร้างต้องมีเครื่องตัดดินเครื่องมีเครนมีอะไร บ้านสมัยใหม่เ็าใช้เครื่องจักรบารมีสิท บ, บาลมีสิทที่เป็นเครื่องจักรเครื่องมือของการสร้างบ้านก็มีอยู่สี่ข้อคืออธิษฐานบามีศัจจบบ า, าบารามีวิริยะบารามีแล้วก็ขันติบาลมีการที่เราจะสร้างบ้านสร้างเอาอุปรกรณส์ส่วนประกอบของบ้านมาไดา้เราก็ต้องมีความตั้งใจในเบื้องต้น ว่าต่อไปนี้เราจะมาสร้างบารมีกันนะเกิดมาพบในิชานนี้เราจะเน้นไปที่การสร้างบารมีเป็นหลักคือนี่คืออธิษฐานบารมีเมื่อเรามีอธิษฐานแล้วเราก็ต้องมีสัจจะตามมาคือความจริงใจไม่หนอกตัวเราเองว่าต่อไปนี้เราจะสร้างบารมีแต่พอถึงเวลาไม่ทำแต่ถ้ามีสัจจะด้วยเราจะต้องทําถึงเวลาต้องแผ่เมตตาก็ต้องแผ่เมตตา ถึงเวลาต้องทำทางก็ต้องทำทางถึงเวลาต้องรักษาศีลก็รักษาศีลเป็นต้นต้องมีสองอย่างนี้เป็นเป็นตัวตัวจุดตัวจุดชนวนหรือตัวผักดันให้เราได้ไปสร้างบา ร, รมีทั้งหกข้อในการที่จะสร้างบา ร, รมีเหล่านี้ได้สําเร็จก็ต้องมีวิริยะบา ร, รมีความขยันหมั่นเพียรถ้าขี้เกียจก็สร้างไม่สําเร็จนะครับต้องขยัน ทำมากทำน้อยทำมากก็จะเสร็จเร็วทำทำน้อยก็จะเสร็จช้าแล้วก็ต้องมีความอดทนเพราะการทํางานเป็นเรื่ของยากมันไม่เหมือนกับการเที่ยวการเล่นมันเป็นของง่ายการที่จะสร้างนิพพานขึ้นมาได้นี่เราจะเป็นจะต้องมีอธิษฐานสัจจะอธิษฐานวิริยะแล้วก็มีขันติเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการที่เราจะาเอา ส่วนประกอบของบ้านคือเมตตาทานศีลในธรรมะอุเบกขาปาัญญามาประกอบให้เป็นบ้านขึ้นมาเป็นเป็นเรือนใจเป็นบ้านที่ถาวนพอเราสร้างบ้านที่ถาวนที่เสร็จเราก็จะได้ไม่ต้องไปอาศัยบ้านชั่วคราวเหมือนที่เรายังอาศัยอยู่ตอนนี้ตอนนี้เรามีร่างของมนุษย์เป็นบ้านตายไปถ้าเราทําบุญเราก็จะไปได้ร่างของเทพเป็นเป็นบ้านถ้าเราเข้าสมาธิได้เราก็จะ เราก็จะได้ร่างของผมเป็นบ้านถ้าเราทําบาปเราก็จะได้สตัตว์เลี้ยงชางมาเป็นบ้านเป็นต่นเวียนว่ายตายเกิดสลับกันไปอย่างนี้ไปจนกว่าเราจะสร้างบ้านให้สําเร็จสร้างบา ร, รมีทั้งสิบให้ครบถ้วนบริบูรณ์อย่างเจ้าชายสิทธัตถะมาบริบูรณ์ในในชาติที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะได้ได้สลราชสมบัติออกบวชแล้วก็ตัดสรนุ้ด้วยพระองค์เองเพราะไม่มีใครรู้ปัญญา องประกบอบบางอย่างนี้เขามีคนรู้กันในธรรมะเรื่องวิบาานี่เขามีการปฏิบัติอยู่แต่เรื่องปัญญาคืออริยสัจสี่เรื่องตายรักนี่ไม่มีใครรู้ก็เลยขานองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดก็คือปัญญาองค์อะไต้องค้นคว้าด้วยองค์องเองลองผิดลองถูกที่สก็สคนเพราะว่าเอาทุกข์เกิดจากสมุทัยคือความอยากตา่างๆอันนี้ทําให้ ความอยากเขาให้ทุกข์หายไปต้องรับความอยากการับความอยากก็ต้องมีเครื่องมือก็คือมีศีลสมาธิปัญญาเป็ น, นต้นออกมาเลยสําเร็จสร้างมานสาเร็จพอสำเร็จแล้วก็มาสอนคนสอนวิธีรัดคือเอาแค่ศีลสมาธิปัญญาก็พอสามข้อนี้ก็พอไมนจําเป็นจะต้องามาสร้างทานบาลามีศีลบาลมี เพราะว่าเวลาไปบวชนี่ก็ไม่ไปไปเปรียบวิเวงอยู่คนเดียวก็ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับคนก็ไม่ต้องกังวนกันเรื่องเมตตาบารมีที่เราต้องมีเมตตาก็เพราะเวลาที่เราเกี่ยวข้องกับคนเราคดผู้อื่นอาจจะมีการผิดพลาดเนี่ยอาจจะมีการกรธการเกลียดกันขึ้นมาก็ต้องมีการให้อภัยเป็นต้นแต่ถ้าเราไปเป็นนักบวชล้วอยู่คนเดียวไปเปรียบวิเวงนี่เราจะไม่ค่อยต้องใช้เมตตาบารมีทานเราก็ทานบารมีเราก็ไม่ต้องใช้เพราะเราไม่มีอะไรจะให้ มีแค่าอาธาบริขารนะครับตัดสองข้อที่ไปได้ก็เลยจะสื่กันได้คำกกว่าปัญญากับอุเบกขาทัานสี่ข้อที่จำเป็นจะต้องสร้างด้วยด้วยอธิษฐานสัจใจอธิษฐานด้วยวิริยะและด้วยขันติกตัดไปได้สองข้อถ้ามีพระพุทธเจ้ามาสอนก็เหลือแปดข้อก็คือนักแปด ทันกับกระจ่างแจ้งมากเลยครับเป็นเหตุเป็นผลก็กระจ่างเลยครับอท่านครับอืมับนี่คือการสร้างบ้านที่ยั่งยืนถาวรของใจถ้ายังสร้างไม่เสร็จก็ต้องไปอาศัยบ้านของมนุษย์บ้างบ้านของเทพบ้างบ้านของพรหมบ้างอยู่ไปพัพามก่อนถ้าทําบาปก็ไปอาศัยบ้านของเดรัจฉานบ้างมาอยู่บ้านใน่งนรกบ้างนรกก็เหมือนคุกตารางดีๆเ ขอบพระคุณพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับแล้วอย่างที่ผมตั้งหัวข้อไว้บางคนทําไมเราไปเจอเขาตั้งแที่ไม่รู้จักแต่ว่ารู้สึกเขามีบารมีอันนี้เป็นการสั่งสมมาเป็นไปได้เพ ร, ะพระาะเขาสะสมบารมีเหล่านี้บางคนบัณฑามีปัญญาบารมีบางคนเข้าใจกว้างไม่ไม่ขี้เหนียวไม่หวงอะไรใครอยากจะได้อะไรก็ให้จแจกอย่างเรื่อยๆพวกที่เป็นโพธิสัตว์พวกที่สร้างบารมีเขาจะทุ่มเทเต็มที่กับบารมีต่างๆ บางคนก็แสนอดทนนักเกินอดทนก็บรายได้เยอะแยะไปหมดบาคนก็ขยันทํำงานทัจนเดินขึ้นมาจนหลับทางานทั้งปีทั้งชาติไม่มีว <Richards> <You 3> <OL 2> ันหยุด <Lak off> นี่คือวิเลยงก็บารมีต่างๆแต่ละข้อเนี่ยถ้าจะเป็นโพธิสัตว์นี่เขาจะทำแบบเหมือนกับเป็นมันเหมือนแบบแบบสุดโต่ะเขาว่าสุดโต่งพวกพระโพธิสัตว์นี่เขาจะมักจะทําอะไรแบบสุดโต่ง ครับในสันดอนก็ทั้งหมดแจกหมดใครอยากจะได้อะไรขอมาให้เมีให้ได้ให้หมดเลยแม้แต่ลูกยังยกให้ชูโชคได้ครับเพราใจท่านกว้างท่านไปทานบารมีท่านตั้งทานบา ร, รมีเวลาท่านให้แล้วท่านมีความสุขท่านไม่มีความทุกข์เหมือนพวกเราเวลาเราเสียอะไรไปัเสียได้ท่านกลับเห็นว่าเป็ น, นความสุขทําอะไรให้คนอื่นก็มีความสุขก็ทําให้ตัวเองมีความสุขกลับมา แั้นเราก็เราก็สามารถเบลมองหน้าคนคนที่เขาทาอะไรแบบที่มีออร่าอย่างที่คุณบอกเนี่อาจจะเป็นพวกโปรติสัตนไงครับขออภัยถ้ากล่าวถึงอย่าใ น, นราชาการที่กเก้าก็มี็นคนกล่าวว่าท่านเป็นพระโปรติสันนะท่านมีความเมตตาสูงเมตตาบารมีสูงทําประโยชน์เพื่อประชาชนก็่ได้ทำอะไรเพื่อความสุขของตัวเองเลย ทำน้อยมากความสุขของเราส่วนใหญ่เราเอาอกับเรื่องความทุกข์ยากลาบากของชวาวบ้านได้ปัญญามากไอยครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับผ ม, มผมขอโอกาสถามคำถามจากผู้มาฟังบ้างนะครับมีความซึมเศร้าครับทําอย่างไรจะให้อาการซึมเศร้าดีขึ้นได้ครับทําใจสงบหยุดคิดปรุงแต่งหยุดความอยาก ความอยากของเราทำให้เราเศร้าพราะเวลาเราอยากได้อะไรแล้วเราไม่ได้เราก็เศรา้าพร อ, อยากบ่อยๆอยางมากๆไม่ได้ไม่มาไม่ได้บ่อยๆไม่ได้มากๆก็เกิดนอาการซึเศรา้าขึ้นมาเนีตอนนี้เราต้องหยุดความอยากด้วยการทําใจให้นิ่งให้สงบเข้าสมาธิให้ได้พเพราเวาใจสงบความอยากจะหยุดทํา ง, งานแล้วใจเราก็จะมีความสุขเกิดขึ้นมาในใจทําให้เรามีความสุขไม่เศร้าสร้อยหอวเหงางเหมือนตอนที่ เราไม่มีสมาธิดังนั้นเราต้องมาฝึกสติกันหยุดความคิดก่อนช่วครั้งที่คิดอย่างนั้นได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ใช้บริกรรมพุโทโธพุโทโธพุทโธไปเรื่อยๆแต่ต้องทําก่อนที่เรามีความอยากเพราะถ้าเรามารอทําตามความอยากเราอาจจะไม่มีกําลังที่จะคิดถึงพุโทโธได้งั้นเราควรที่จะฝึกการเจริญพุโทโธไปเรื<ๆ>่อยๆตั้งแต่ตื่นจนงับทำมางทํามากบ้างน้อยมางทํา่อยบ่อย ต่อไปเวลาเรามานั่งสมาธิใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบอาการซึมเศร้าต่ตตางๆก็จะหายไปขอโอกาสพระอาจารย์ช่วยชี้แนะแนวทางปฏิบัติให้เกิดสัมมาสมาธิให้เข้าใจง่ายๆและปฏิบัติได้ผลครับก็เนี่ยต้องมีสติเป็นตัวนําสมาธิคือความนิ่งสงบของใจใจจะนิ่งสงบได้ต้องมีเบรกมาหยุดความคิดตัวที่จะเป็นเบรกหยุดความคิดก็คือ สติตัวสติก็คืออารมณ์ที่เราใช้ในการในการผูกใจเอาไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเช่นเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเราก็ไม่สามารถที่จะไปคิดถึงเรื่องนั้นทรื่องนี้นได้พอเรามีสติสามารถหยุดความคิดได้จิตก็จะเข้าสู่ความสงบเกิดอมเบขาขึ้นมาเกิดความสุขที่เหนยกว่าความสุขทั้งโปกขึ้นมาอันนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิ ขึ้นอยู่กับกำลังของสติที่เราต้องพยายามเจริญให้มากสร้างขึ้นมาให้มากในที่ประชุมเผลอดุลูกน้องไปครับอาจารย์รู้ว่ากลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วแต่จะทําใจอย่างไรให้สบายขึ้นครับอาจารย์ก็เตือนตัวเองหรือลงโทษตัวเองก็ได้เช่นอาจจาะซื้อกองให้ลูกน้องที่เราไปดุเขาก็ได้ เราไปขอขามาาอขอโทษนะที่พูดไปแดงไ้หน่อยไม่มีความตั้งใจอะไรเป็นต้นต้องรู้จักยอมรับผิดของเราแล้วก็ต้องมีการการะทำการขอโทษกันเพื่อที่จะได้เป็นสิ่งที่เตือนใจไม่ให้ไปทำซ้ำอีกคำว่าจาคะกับทานมีความหมายเดียวกันหรือไม่ครับ คำว่าทานแปลว่าการให้ให้ข้าวของคนนั้นคนนี้เนักทานจากะแปลว่าบบวการเสียสละจะว่าเหมือนกันไม่ได้จะไม่เหมือนกันก็ได้เวลาเราให้เราก็ต้องเสียสละของที่เรามีอยู่ไปให้คนอื่นในการเสียสละไปในตัวเพราะนั้นบางทีสองคำนี้ก็ใช้แทนกันได้จากะนักทาน นั่งสมาธิแล้วขึ้นวิปัสนาต่อทําอย่างไรครับอ๋อเราต้องรอให้สมาธิเราชํานาญชอบนิชชอบชำนาญก่อนไม่ใช่นั่งได้สมาธิคนเดียวแล้วเราจะรีบไปขึ้นไปทางวิปัสนาหรือปัญญาเลยยังไม่ถึงเวลาเหมือนกับเวลาการที่เราขับขาบรดใหม่ๆเนี่ยพอเราเขาับรถได้แต่เรายังไม่ชํานาญระยงเพิ่งกออกไปบนถนนใหญ่ครับตามซอยตามอะไรที่ไม่มีรถนิ่งบ้างก่อน ซ้อมให้ชานาญก่อนทำควา้ชาํานาญก่อนจนเรามีความมั่นใจว่าเออไปขึ้นถนนใหญ่ได้แล้วไปขึ้นทางด่วนได้แล้วแล้วเราก็ออกไปชั้นใดการฝึกสมาธิเบือ้องต้นก็ต้องฝึกก็ชํานาญก่อนนั่งสมาธิแต่ละครั้งต้องเข้าได้ทุกครั้งเลยไม่ใช่นั่งแต่ละครั้งเข้าไม่ได้หรือเข้ายากอันน <s> ี้ต้องฝึกไปเรื่อยๆก่อนฝึกสมาธิให้ชานาญสามารถเข้าในทุกครั้งที่เรานั่งสมาธินะ พอเราได้ความจำนานในสมาธิแล้วขั้นต่อไปเวลาที่เราออกจากสมาธิมาเราก็สอนใจให้ให้เห็นกฎตายรักในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเช่นร่างกายกฎตายรักก็คือความไม่เทีย่ยงแท้แน่นอนของทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายก็เป็นของไม่แน่นอนเป็นของที่เกิดได้ดับได้จะดับเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้แล้วก็เป็นอนันตาก็คือไม่มีตัวไม่มีใครเป็นผู้มาควบคุมบังคับ ก็เป็นตัวเราของเราได้มันเป็นของธรรมชาติให้เข้าใจธรรมชาติความจริงของร่างกายเพื่อเราจะได้ปล่อยวางร่างกายตอนนี้เราหลงเราไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราและเราคิดว่าเราสามารถควบคุมร่างกายของเราให้เป็นไปตามความอยากของเราได้แต่บางทีมันก็เป็นไปไม่ได้บางเวลาก็ทําได้แต่บางเวลามันจะทําไม่ได้เช่นอยากให้มันไม่เจ็บไข้ได้ปวดก็ห้ามมันไม่ได้ อย่างให้มันไม่ตายมันก็ห้ามมันไม่ได้เพราะเกิดความอย่างเหล่านี้มันก็เลยเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ทรมานใจเราก็อย่าไปมีความอย่างเหล่านี้ปล่อยให้ร่างกายเป็นไปตามธรรมชาติของเขาเขาจะเจ็บก็ต้องปลวอยก็เจ็บไปแต่ไม่ได้ห้ามรักษาได้ก็รักษาไปถ้ารักษาไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามสภาพของมันถ้ามันจะตายก็ต้องยอมปล่อยให้มันตายไปถ้าเราปล่อยได้แล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์ นี่คือการเจริญปัญญาเป็นตัวอย่างให้อาหารแมวจรเข้าบ้านเป็นประจำตัวที่กัดแมวที่บ้านแล้วไม่ให้อาหารอาตัวนั้นถือว่าไม่เมตตาไหมครับก็แล้วแต่ว่าเรามีเจตนาอะไรถ้ า, าทําเพื่อลงโทษมันให้มันเข็ดหลับเราก็ทําได้แต่ถ้าเราไม่ให้มันเลยให้มันอดตายนี่นก็แสดงว่าเราก็ไม่เมตตา อยู่ที่ว่าเรามีเจตนาอย่างไรเราอาจจะให้มันแต่เราถือว่าอาจจะแยกมันไม่ให้ไปไปเบียดเบียนสัตว์ตัวอื่นหรืออาจจะต้องกักขังมันอยู่ในกรงอะไรทักอย่างหนึงเพื่อไม่ให้ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนอะไแก่ผู้ถ้าเราทําได้หรือจำมันไปปล่อยอย่างนี้ก็ได้ถ้าปล่อยก็แสดงว่าเราไม่ได้ให้ความเมตตาขเขาอีกต่อไป เพราะเขาทำตัวมันเหมาะสมกับการที่จะมารับความเมตตาเพราะเราไม่ต้องการจะสนับสนุนให้เขาไปเบียดเบียนผู้อื่นคุณรุ้งบอกว่าวันนี้จะหัดทําในสัตชิกเป็นครั้งแรกครับตั้งจิตอธิษฐานหนึ่งวันพยายามตั้งสติทั้งวันครับอาจารย์ครับนั่นแหละต้องมีสัจจอธิษฐานเป็นเบื้องตอน้นเนสัตชิกก็คือการทําความเพียรเนี่ยสร้างวินัยบารมี ด้วยการตั้งสัจจะที่ฐานนันก็มีวิเรธบามีก็ต้องมีทันติบารมีด้วยเพราะเวาง่วงนอนมันก็อยากจะนอนบางทีอยากจะเอนหลังก็เอนไม่ได้เพราะเราตั้งไม่ว่าเราจะไม่ไม่อยู่ในท่านอนตลอดหนึ่งหนึ่งคืนอันนี้ก็เป็นการเจริญบารมีและเป็นการทำความเพียรกันด้วย ถ้าใช้เครื่องดูดไรฝุ่นที่มีคุณสมบัติฆ่าไรฝุ่นด้วยบาบไหมครับเข้าใจว่าไรฝุ่นนี่มันไม่ไม่ไ่ไม่มีดวงวิญญาณน่ะมันเป็นเหมือนกับเชื้อโรคอย่างที่มันมีชีวิตแต่มันไม่มีวิญญาณเหมือนกับต้นไม้ต้นไม้ก็มีชีวิตแต่มันไม่มีวิญญาณรับรู้อะไรเั้นมันจะไม่มีการอาฆาตพยาบามไม่มีความทุกข์ไม่ไม่มีการจองเวรอย่ากรรมมันเกิดขึ้น ดูแลลูกพิการสองคนและสามีป่วยติดเตียงเวลาที่เหนื่อยจะโกรธง่ายครับอยากขอคําแนะนําพระอาจารย์เพื่อไม่ให้ไม่โกรธครับก็ต้องมีความเมตตากับเขามองเขาว่าเขาเขาต้องพึ่งเราถ้าเราไม่ช่วยเขาเขาก็จะตายได้คิดว่าเปนการสร้างเมตตาบารมีเป็นการสร้างทานบารมีไปเล่ากับเหมือนพระเวชสันดร การนั่งสมาธิกับการนอนสมาธิในกรณีที่จิตนิ่งเหมือนกันจะได้อ น, นิสงส์งเหมือนกันไหมครับถ้านิ่งเหมือนกันก็นได้อนิสงส์งเหมือนกันในส่วนใหญ่มันจะหลับใช่ไครับมากกว่าถ้าอยู่ในท่านอนเวลาเดินจงกรมดูลมหายใจตัวเองได้ไหมครับได้แต่มันอาจจะยากาวาวยงงกว่าทุกการดู่เท้าเท้ามันจะง่ายกว่าเพราะเท้ามันเห็นได้ชัดเจนกว่า ลมนี่บางทีมันละเอียดเวลาที่เรามีการเคลื่อนไหวนี่มันจะดูลมได้ยากกว่าแต่ถ้าดูลมได้ก็ก็ใช้ลมแทงก็ได้ถ้าเราสวดมนต์เองกับฟังสวดมนต์ทางทางทางช่องทางโซเชียลมีเดียได้บุญเท่ากันไหมครับก็ อ, อยู่ที่สติว่าถ้ า, าฟังด้วยสติหรือว่อะไรถ้าฟังด้วยสติหรือสวนเองด้วยสติ ถ้าได้ผลคือความสมองมันก็ได้บุญเหมือนกันการวางจิตขณะทำสมาธิควรวางไว้ที่ตำแหน่งใดระหว่างหน้าผาหัวใจท้องหรือปลายจมูกครับแล้วแต่ว่าเราใช้อะไรเป็นกรรมฐานเป็นอารมณ์กล่อมใจถ้าเราใช้คาบริกรรมพุทโธ ก, ก็ให้วางจิตไว้กับคาบริกรรมถ้าเราดูลมหายใจเข้าออกก็ดูที่ปลายจมูก ขออนุญาตเรียนถามว่าเมื่อถึงความว่างจะต้องพิจารณาอะไรอีกหรือไม่อย่างไรครับการนั่งสมาธินี้ไม่ต้องการพิจารณาอะไรต้องการให้จิตว่างให้จิตสงบให้นางา น, านให้มีกําลังก่อนแล้วเวลาออกจากสมาธิมาถ้าอยากจะพิจารณาก็พิจารณาตายรักต่อได้เอาก้อนหินโยนใส่เพื่อไม่ให้แมวกัดกันแต่เพื่อไปโดนเท้ามัน บาปไหมครับก็อยู่ที่เจตนาว่าเราตั้งใจจะทำร้ายมันหรือไม่ถ้าไม่มีความตั้งใจก็ไม่บาปแต่ก็เกิดความเสียหายได้เมื่อเราเราจะทําอะไรที่มีผลเสียหายตามมาเราก็ต้องระมัดระวังก็คิดไถ่รอบเขาว่าคนจะทำหรือไม่มันไม่บาปแต่มันก็มีผลเสียหายมันอาจะทําให้มีการจองเวรจองกรรมกันได้ พระที่อ้างว่าบรรลุธรรมแต่สร้างวัดเป็นแนวรีสอร์ทพูวิลล่าแบบนี้ลูกศิษย์ทำไมไม่คิดได้ว่ามันขัดกับคำสอนพทธเจ้าจบนบนเราไ ม, ม, เาไม่เขาไม่ศึกษาพุทธประวัติอย่างจริงจังนะนะวันนี้ก็แสดงพุทธกิจิาให้ฟังให้พุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพะพุทธเจ้าหลังจากตัดสรตว์ว่าถ้าไม่ได้ทาอะไรม่ต่สอนธรรมะสอนมาลสี่รอบ บ่ายสอนให้ญาติโยมตอนค่ำสอนให้พระเดชตอนดึกสอนเทวดาตอนช้าก่อนจะเสด็จออกบิณฑบาตก็เลยียงญาณหรือว่าจะไปสอนใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นไม่ได้มีต่สอนเรื่องธรรมะอย่างเดียวภารกิจของพระเจ้าข้อที่ห้าก็บิณฑบาตเลี้ยงชีพบิณฑบาตอยู่ยชีพท่านไม่เคยสร้างวัดสร้างเจดีย์สร้างโบสถ์สร้างพระเลยท่านสร้างแต่พระอริยบุคคลเพราะท่านเห็นความสาคัญของพระอริยะบุคคลว่าจะเป็น จะเป็นทายยากผู้จะสืบทอดพราะทรมันะเสริฐที่พระองค์ได้ส่งตัดสนุได้นอกนั้นก็จะไม่มีการสามารถสืบทอดได้บอจีดีพระพุทธลูปอะไรต่างๆนี้ทาวาแล้วว่าต่างๆนี้ไม่สามารถที่จะสืบทอดรำมันประเสดได้ต้องพออาาระอรหันต์พออาาระอรหันต์พออาาระ อ, อริยสงสารทั้งนี้ที่สามารถสืบทอด ร, รักษาศาสนาให้อยู่ไปนา น, านได้ การสวดมนต์ก่อนนอนแล้วแผ่ให้พ่อแม่ที่เสียแล้วอย่างนี้เขาได้บุญไหมครับการแผ่เมตตากับการอุทิศบุญป็นต่างกันนะการแผ่เมตตาเนี่ยเราจะแผ่ต่อบุคคลที่เราพบปะกันเช่นเวลาเจอใครก็ยิ้มให้เขาเนี่แล้วกว่าแผ่เมตตาสวัสดีครับสวัสดีหนึ่งอืมันถ้มีขนมมาฝากาก็วันนี้มีเขามาฝากด้วยการแผ่เมตตากือการให้ความสุขแก่ผู้นั้นต้องมแผ่ด้วยการที่เราเจอกัน ถ้าพ่อแมาเข้ามาหาถ้าดวงวิญญาณเข้ามาหาเราเราก็แผ่เมตตาให้กับเขาได้ขอให้พ่อแม่อยู่ไป น, นานๆอยู่ในสวรรค์ไป น, นานๆนะอะไรานแต่ถ้าไม่เจอกันเลยอยู่เฉยๆแล้วคิดของเราไปเองนี่มันก็เป็นการแช่ความคิดตรงนั้นเองกับขอปัญญาครับแม่เป็นมะเร็งต้องผ่าตัดรักษาในสัปดาห์หน้า แม่ต้องรักษาใจอย่างไรเวลาอยู่ในห้องผ่าตัดส่วนลูกหนูคิดว่าดูแลพาท่านรักษาตามเหตุแต่อดกลัวและเป็นห่วงไม่ได้ครับคุณแม่ฟังพระอาจารย์อยู่ครับวิธีที่จะกระทำใจให้นิ่งสงบอย่าไปคิดถึงการการผ่าตัดปล่อยให้เป็นเรื่องของหมอไปเรามีหน้าที่รักษาใจก็ให้บริการพุทโธพุทโธไปส่วนมัไปภายในใจทาสมาธิไป วันนี้เฝ้าไข่อยู่ที่โรงพยาบาลพี่ชายมาอยู่สองอาทิตย์แล้วมองดูคนโน้นไปคนนี้มาแต่ก็ยังทำใจไม่ได้อยู่ห้องรวมทั้งคิดว่าทำไมเตียงอื่นก็วางทำไมต้องเอาคนไข้หนักมาไว้ติดกับพี่ชายบางทีว่างเป็นแถบแต่มารอเตียงติดกับพี่ชายทำให้เราคิดว่าเพราะอะไรหรือควรจะคิดยังไงให้ไม่ทุกข์ดีครับมันไม่ใช่เรื่อของเรานเนื่องเพรโรงพยาบาลครับ เราอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเขาจะจัดคนใกล้มานอนตรงนี้ตรงนั้นก็เรื่ของเขาเรามีหน้าที่ดูแลพี่ชายเราก็ดูแลเข้าไปนั่นเองพอสุนัขที่ตายไปแล้วจะไปสู่ภพภูมิไหนครับถ้าหมดบาปที่เขาทำก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้ายังไม่หมดบาปอาจจะกลับไปเกิดเป็นสัตว์ต่ออหลายชาติก็ได้แต่าบาปที่เขาทาไว้มันหมดคือหมด คือบากเท่ากับบุญเมื่อไหร่มันถึงจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ถ้าบาปยังมากกว่า บ, บุญอยู่บานก็ยังจะสมผลให้ไปเกิดเป็นสาติเดินชานต่อไปเรื่อยๆปกติฟังธรรมนั่งสมาธิที่วัดเริ่มกี่โมงครับอาจารย์ที่ว่าบ่ายสองโมงทุกวันเสาร์ทุกวันพระและวันหยุดราชการ พระอาจารย์เทศสอนว่าเราเกิดมาเพื่อเสพรูปรสกลิ่นเสียงจากการหาเงินทองหาสามีภรรยาถือว่าเป็นการเสพรูปรสกลิ่นเสียงด้วยใช่ไหมครับใช่ทุกอย่างก็ ม, มุ่งไปทีการเสบรูปเสียงกลิ่นล้นนี่หาเงินหาทองมาจะได้เอาเงไปเที่ยวไปซื้อรูปเสียงกลิ่นล้นเกษมียอดมีตำแหน่งก็เยใช้ยอดตำแหน่งนี้เพื่อกอบกอบโกวเงินทองมาเพื่อเอาไปใช้ในการเสบรูปเสียงกลิ่น นี่การทำาทุจรรสื่อนี่มุ่งไปที่ความสุขทำใรูปเสียงกลิ่นลดทั้งนั้นนะมีสุนัขตัวเมียหมาจรมาออกลูกครับถ้าเอาลูกมันไปแจกให้คนอื่นอย่างนี้สมควรไหมครับอันนี้เราก็ไม่ทราบเนะพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของถ้าถามแม่ได้ก็ดีแต่แม่เขาก็ควรจะรับตอบเราไม่ได้ แม่เขาคงไม่สนใจแนละ้วพราะลูกเขาเข้ามาแล้วเดี๋ยวพอตอนไหนเขาก็แยกทางกันไปพอลูกดูแลตัวเขาเองได้แนมะ่เขาก็เขาก็แยกกันไปคกางที่ไปแจกให้มีคนดูแล อ, อุปถัมภ์ก็ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่เสียหายแต่อย่างไรบางคนก็วิตกว่าเป็นการพากัพกพาดภาดแม่จากลูกไปหรือเปนแต่ถ้าเป็นการพาดเพื่อเพื่อให้เกิดประโยชน์ให้เกิดสุขเขาไม่น่าจะเสียหายตรงไหนถ้าอยู่กับแม่แล้วอาจจะอดตายอย่างี้ก็ช่วยพาดเขาไปดีกว่า ก็ได้มีที่อยู่อาศัยมีอาหารกินที่ดีงนั้นถ้าเราสามารถเอาไปแจกคนที่เข้ามาอุปถัมภ์ได้ใครอยากจะขอมาเขาไปก็ให้เข้าไปก็ได้พิธีกรรมฝังลูกนิมิตทําได้บุญไหมครับคือมันเป็นกิจของสงฆ์ลูกนิมิตเนี่ยคือเป็นการวางเคตที่จะสร้างพระโอษฐ์เนี่ย เมื่อสงฆนี่ยทาพิธีกรรมนี้ต้างกำหนดเขตนี่คืออุโบสถที่ทําพิธีกรรมเหมือนสภาอย่างเงี้ยสภาของรัฐสภาอย่างเงี้ยรัฐสภาก็ต้องมีเขตขอบเขตว่าจะมีที่นั่งอยู่ตรงไหนอะไรเป็นต้นรูปนี้ไม่ไก็เป็นเหมือนกับปากเขตตามหัวมุมของของของของโบสถ์ของที่ประชุมของพระ อ, อุโบสถมันก็มักจะมีอยู่สี่สี่รูปด้วยกันหรืสี่มุมอย่างเงี้ย เนี่ยจะมีมากกว่า น, นั้นก็ได้เราไมได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ศึกษาแต่ก็เป็นตัวกําหนดเขตของพระอโอเบสดของโบสถ์ที่พระจะมาทําสังฆกรรมกันนั่นเองทีนี้มันก็เลยเป็นอุบายของของพระที่สร้างบวถเพลานั้นมันไม่พอก็ต้องหาวิอุบาวิธีจัดงานฝังรูปนกมิตกันมันจะมีการปับเขตแดนของพระอโอเบสดก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้ามาช่วยฝังลูกนิ ม, มิตนี่จะได้บุญมาก เขาได้บุญเพราะได้บริจาคเงินให้กับวัดน เ, นเพื่อจะได้มาสร้างโบสถ์นี้ให้สําเร็จคนั่นเองบางทีก็เป็นการทางทานอย่างหนึ่งเป็นวิบายของพระบางที่สร้างพระอุโบสถยังไม่เรียบร้อยยังขาดเงินอยู่ก็หาวิธีจัดงานทําลูกนี้ให้จับมีลูกเป็นซึมเศร้าครับเราสวดมนต์อุทิศบุญให้เขามีสติอย่างนี้ทําได้ไหมครับ สอนให้เขาดีกวับฝึกให้เขามีสติดีกว่าพาเขามาทํากิจกรรมที่เขาต้องใช้สติดีกว่าเราเราแผ่ไม่ตาหรือเราทำในใจช่วยเขาไม่ได้ต้องต้องช่วยด้วยกายกระทําของเราหรือส่งเขาเปเรียนที่โรงเรียนที่ก็มีการฝึก ค, คนที่ไม่มีสตินี่ก็คนโรงเรียนที่สำหรับเด็กพิเศษนี้เป็นต้น เขาจมีวิธีฝึกให้เขามีสติเพิ่มมากขึ้น mm hmm. เด็กพิการทางสมองสามารถพัฒนาได้เราต้องมีอุบายวิธีให้เขาได้ฝึกสติอย่างโรงเรียนเด็กพิการที่เราเกี่ยวข้องด้วยนี้ก็บางทีเขาก็พาเด็กไปขี่มา้าอย่างนี้น mm hmm. ให้เด็กมีกิจกรรมที่ mm hmm. เราใช้สติเป็น้ mm hmm. เด็กก็พัฒนาได้ถ้าปล่อยก็อยู่เฉยๆมันเรื่องไม่มีการพัฒนาการเกิดขึ้น อันนี้คนยากค้นหาดูว่าใกล้บ้านมีโรงเรียนที่เขามีโรงเรียนที่ดูแลเด็กพิการทางสมองไว้ถ้ามีก็ลองไปติดต่อเข้าดูมีสองคำถามคล้ายๆกันครับอาจารย์ครับช่วงเทศกาลไหว้มีผลไม้เยอะมากหลังจากไหว่าสามารถนําผลไม้ไปใส่บาตรได้ไหมแล้วก็คุณหนุ่มน้อยก็ถามพอดีว่าคุณยายลาอาหารหิ้งพระแล้วใส่บาตรได้ไหมครับ คือโดยปกติแล้วเราเราจะเข้ารบพระเนี่ยการใส่บาตนี่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ที่ประเสริฐเราคงจะให้ของที่ไม่ใช่เป็นของที่เหลือจากใครมาเอาไปให้แต่ทางศาสนาทางพระนี่ถ้าไม่สนใจอะยามมาจากที่ไหนถ้าคนกินได้ก็รับได้เนยนครับมันก็มีสองประเด็นด้วยกันแต่ถ้าเราอยากจะทำบุญให้มันมีบุญจริงๆเนี่ยเราก็ควรจะเอาของที่ไม่ได้เป็นของ ของที่ให้ใครไปแล้วแล้วเอามาเอามาให้คนอื่นต่ออีกทอดหนึ่งถึงการจริงเอาของไปวางไว้เฉยๆมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกมันก็ของมันก็เท่าเดิมเหมือนเดิมมไม่มีใครมาแตะอะไรถึง แ, แต่ว่าเจตนามันไม่ดีมันจะยิงนกสองตัวเอากระสุนนันเดียวยิงนกสองตัวเนี่ยเอาทั้งไหว้เจ้าด้วยเอาทั้งบุญที่เอาไปใส่ผ่าน แต่ทําได้ไม่ไม่ไม่มีก็ห้ามผ้าร่ำได้ถ้าไม่บอกท่านนีนก็ไม่ว่าเลยของกินได้เปล่าได้ก็ถามเลยกินได้ตลถ้าใส่บาตรพระที่ริมถนนแต่ไม่สะดวกในการอุทิศส่วนกุศลตรงนั้นเรากลับมาอุทิศที่บ้านได้ไหมครับได้หรือท่านถนนก็ได้เราจะขยับออกมาที่ไหนที่แห่งไหนเราก็นั่งมันการอุทิศนั้นมันต้องใช้น้ำมันเพียงแต่คิดในใจนั่นเองเราเลึกภายในใจว่า ขอให้ขอทิดบุญส่วนนี้ที่ได้ทำในขณะนี้ให้กับบุคคลนั้นบุคคลนี้ไปก็สาเร็จประโยชน์นะครับแผ่เมตตาให้ตัวเองได้ไหมครับไม่ต้องแผ่หรอกแล้วตัวเราแทบเป็นแทบตายอยู่แล้วมีใครไม่รักตัวเองว่ากาแผ่เมตตาก็คือให้ความรักเราต้องให้กับผู้อื่นเพราะเราไม่ค่อยรักผู้อื่นเท่าไหร่เลยต้องบังคับตัวเราให้ไปไปรักคนอื่น เพราะถ้าเราไม่เป็นรักคนอื่นแล้วเดี๋ยวเรไปเบียดเบียนเขาไปทํำลายเขาลูกชอบเถียงและทะเลาะกันประจําคําพูดการกระทําของเขาบางครั้งทําให้เราทุกข์ใจควรคิดยังไงไม่ให้ทุกข์ครับที่เขาก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรเราก็แล้วเป็นเจ้านี้เราเป็นพ่อเป็นแม่ของเราเป็นลูกบังเกิดเก้าของเรา คุณหนุ่มน้อยนะครับหลวงตาครับจับฉายต้มหม้อใหญ่ตักรับประทานตักใส่บาต ท, ทุกวันได้หรือเปล่าครับหลายๆวันถึงจะต้มใหม่ได้หรือเปล่าครับก็ถ้าเขาไม่บูดก็ได้กินแล้วในท้องเสียก็ได้ได้ลูกเป็นคนจิตอ่อนเวลาไปไหนจะสะดุ้งตกใจได้ง่ายจะมีวิธีใดทําให้จิตเข้มแข็งบ้างครับต้องฝึกสติให้มากา ม, มากถ้ามีสติมากเท่าไหร่จิตก็จะนิ่งมากขึ้น จะจะไม่อ่อนไห้ถ้าฝึกสติดีนสรจะจะเป็นเหมือนก้อนหินเลยต่ไม่กระเทือนเลยเวลาสัมผัสแค่อะไรก็จะรู้สึกเฉยเฉเมตตาบารมีลักษณะแนวทางปฏิบัติมีอย่างไรบ้างครับก็มีอยู่สี่ลักษณะอันแรกอาเวลาหุ่นโตคือไม่จองเวรกัน ใครทําร้ายเราทําให้เราเดือดร้อนเสียหายเราไ ม, ไม่ไม่ไปตอบโต้ไม่ไปรําแกนเรียว่าอเมลาให้อภัยไม่จอมเวรกันลักษณะที่สองอนิการหอนตกไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจของผู้ข้อที่สามไม่เบียดเบียนกันอนปยาปัชาหอนตกคือไม่เบียดเบียนกันทําอะไรไม่ทําให้ผู้คนเสียหาย เช่นจัด ง, งานปาร์ตี้ก็ต้องระมัดระวังอย่าไปเปิดเสียงดังจนกระทั่งชาวบ้านนอนไม่หลับกันนี้ข้อที่สี่ให้ความสุขแต่ ก, กันเรามีข้าวของเงินทองที่เหลือกินอย่าใช้แ บ, บ่งให้คนอื่นเขาบ้างเป็นสันตคลอดผู้ง่ายๆแยากของขวัญวันปีใหม่ครับส่วนใหญเราจะให้เมตตาให้ความสุขกับู้คนวันสาคัญนะั้นเช่นวันเกิดของเราเนี่ยพอวันเกิดแล้วคิดว่าทำบุญมากใส่บาตรบ้างจ่ายเงินให้คนคนัน้นคนนี้บ้าง เราสุดเจเนยเพื่อผ่านวันี้ก็เนีเป็นเป็นการแผแ่เมตตาของชาวจีนเนาะคือการให้เงินทองใส่สองแดงจากคนนั้นจากคนนี้เนี่ยคือวิธีการแผแ่เมตตามีอยู่สี่ลักษณะไม่จองเวรไม่ทําร้ายร่างกายและจิตใจไม่เบียดเบียนไม่ท้าทพูดเสียหายเดือดร้อนแล้วก็ให้ความสุขกับผู้ด้วยการให้ข้าวของเงินทอ ง, ทงต่างๆเป็นต้น ลูกทะเลาะกับแม่ไม่พูดกับแม่ไม่มาเลยไม่โทรหาแม่เขาบาปไหมครับถ้าเขาไม่ทำน้นเราก็ไม่บาปแต่เขาอาจะอาจกตันอยู่ก็ได้เขาเป็นคนลืมบุญคุณเม้าไม่เห็นความสำคัญของเราไม่คิดถึงความรู้สึกของเราว่าเราลักเขาเราเมตตาเขามาขนาดไหนก็ เ, เป็นคนอกตันอยู่ก็ได้นะพูดอย่างไรไม่มีความจำเนื่องในบุญคุณของผู้อื่น ไ ม, ไม่เคยคิดตอบสนองบนคุณเขาทาไว้ที่แล้วก็ถามต่อว่าเป็นกรรมอะไรของเขาไหมครับมันก็อาจจะเป็นกรรมของเราด้วยใช้ติก่นเราอาจจะเคยกระทํานี้มากับพ่อแม่ของเราในอดีต ก, กันได้ชาตินี้เราก็ต้องรับผลกรรมของเราที่เราได้ทําไว้ทําสิ่งใดสิ่งนั้นก็นย้อนกลับมาหาเรา เพื่อนจะส่งข้อความมาให้ร่วมอวมโนโมทนาบุญกับบุญที่เขาทาทุกๆวันเราควรตอบว่าสาธุใช่ไหมครับบางวันก็ไม่ตอบจะเสียมารยาทไหมครับตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้หรอับแเราสวดมนต์จิตออกไปต้องเอากลับตลอดเลยครับต้องทำอย่างไรครับก็พยายามให้อยู่กับการสวดสิถ้าสวดมันเร็วไปล้วก็สวดให้มันช้าลง สดวดธิรคำเลยนะสะกดธิรคำอิติปิสโส อ, อักวาอาลังสัมมาอย่างนี้มันก็จะหนึ่งใจให้เราอยู่กับการสวดไม่ลอยไปถ้ า, าสวดเร็วๆสวดแบบเคยชินนั้นก็จะลอยไปง่ายเหตุนั้นต้องเปลี่ยนวิธีสวดสวดแบบที่เราจะต้องใช้สติให้มากขึ้น พระที่เราใส่บาตรทุกวันพูดให้ฟังถึงที่บ้านเก่าโยมแม่ว่าเห็นวิญญาณนั่งอยู่หน้าบ้านเป็นการปวดอุตริหรือเปล่าครับไม่รู้เหมือนกันนะมันมันว่าท่านเห็นแล้วไม่เห็นก็ไม่รู้พูดไม่ได้ถ้าเราทำบุญทำทานแล้วกรวดน้ำแห้งแบบสวดอย่างเดียวได้ไหมครับได้ไม่ต้องใช้น้าน้ำนี่เป็นเพียงยแต่ป็นตัวอย่างของบุญไง บุญมันในของนั่นเป็นนามธรรมที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเขาเป็นเอาน้ําที่มันเป็นตัวแทนของบุญให้เราเห็นว่าเอาเวลาเราเชิ้นบุญนี้เราเทบุญจากใจเราไปสู่บุญของผู้รับไปสู่ใจของผู้รับก็คือเทจากวันจากภาชนะหนึ่งไปสู่อีกภาชนะหนึ่งเอาน้ํามาเปรียนเป็นเหมือนบุญแต่บุญนั้นเป็นนามธรรมคือควารู้สึกความสุขใจนี่เป็นบุญ เราสามารถส่งความสนใจให้กับผู้ที่ตองรับไปได้การสร้างวัดเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ไหมครับโดยโดยตรงมันอยู่ที่ศรัทธาของชาวบ้านมากกว่าพาเพลงแต่มาตอบสนองศรัทธาอ่างครูบาอาจารย์สายวัดป่าเนี่ยท่านได้ไสร้างท่านท่านก็ไปปักกลดอยู่ที่นู่นที่นี่ชาวบ้านศรัทธาก็นี่หมดให้ท่านอยู่นานๆท่านยังนี่หมดให้ท่านอยู่ว่าต้องสร้างถาวรแล้ว ที่สําคัญที่จะเป็นทพื่อสร้างสาราสร้างสร้างกุฏิขึ้นมาในทางแลราไม่ใช่หน้าที่ของพระที่มาสร้างวัดเพระมีหน้าที่สร้างพระอย่างเดียววัดก็เป็นสถานที่ไว้สนับสร้างพระไม่ได้ ว, ดวัดป่าจะไม่ได้รูหราไม่ไม่ได้มีทาวเวอร์ละวัดถุต่างๆมากมายเป็นว่าที่มีการใช้สอยเท่าที่จําเป็นสร้างสร้าง ส ร, สร้างสิ่งปลูกสร้างที่จำเป็นเช่นสาราหลังหนึ่งก็พอแนะเพราะนั้นก็เป็นกระต๊อบปกติได้อยู่ในปา่าครับหนูรักแมวห่วงแมวมากกลัวแมวเจ็บกลัวแมวโดนทําร้ายกังวลครับขอแนวทางพระอาจารย์ในการลดความกลัวความกังวลด้วยครับก็ไม่มีอะไรแน่นอนเรื่องมันเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องความตายกัน ข, ขึ้นได้กับทุกคนทุกสัตว์อะกินอย่างนี้ เมื่อเริ่มนั่งสมาธิทำไมถึงเจอแต่เรื่องหนักๆครับเช่นภรรยานอกใจลูกเป็นทุกข์มากครับมันไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องกันยัยไปเอาแพร่มาชนแก่เรื่องของภรรยาเราก็ปเป็นเรื่องของเขาไปเขาอาจจะเบื่อเราก็ได้เวลาจะไม่ทำหน้าที่ที่ดีของสามีก็ได้เป็นต้นไม่ได้เกี่ยวกันมานั่งสมาธิของเราหรือถ้าเกี่ยวก็คือว่าเรามานั่งสมาธิแล้วไม่ทบการบ้านก็ช่วยไม่ได้ ครูบาอาจารย์บางรูปที่ท่านมีรังสีแความเมตตาออกมารู้สึกได้ถึงความสงบเย็นเกิดจากการรักษาศีลที่บริสุทธิ์ใช่ไหมครับไม่ใช่เหรอเกิจดจากจิตที่บริสุทธิ์จิตที่ปราศจากกิเลสตัณหาจะเป็นจิตที่นสงบเย็นคิดถึงพ่อแม่ที่จากไปแล้วเสียใจที่ไม่ได้ดูแลเต็มที่เพราะทำแต่งานครับอาจารย์คือช่วยไม่ได้แล้วมันผ่านไป มันผ่านไปแล้วสิ่งที่เราทําได้ก็เป็งแต่ทําบุญแล้ อ, อุทิศบุญไปให้ท่านเท่านั้นเองเมื่อเราปะทะโทสะโมหะจากผู้อื่นฝึกคิดฝึกวางใจอย่างไรครับวางใจจะได้เฉย ๆ, ๆมองผู้อื่นมืนดินฟ้าอากาศไงเราควบคุมบันครับก็ไม่ได้ผลจะผลจะตกฟ้าจะลอกนี่เราห้ามมันไม่ได้ยายนายคนจะมีกิริยาต่างๆแล้วก็ห้ามก็ไม่ได้ แต่เรห้ามใจของเราไม่ให้ไปเดือดน้อยกับกิริยาของเขาได้ไม่การทําใจให้เฉยเฉยไปมองเขาว่าเป็นดินฟ้ากัดถ้วเราก็จะเฉยได้อารัธนาศีลแปดหน้าหิ้งพระที่บ้านวันพระโดยปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านได้ใช่ไหมครับได้ตั้งแต่ติดลามรายการมาได้รับหนังสือมาสองเล่มได้ฟังเทศนาธรรมของพระอาจารย์ช่วงบ่ายสองโมงทุกวัน มีความรู้สึกว่าตัวเองมีความสงบมากขึ้นไม่เกลียดไม่โกรธไม่อยากได้อะไรอีกทานอาหารง่ายขึ้นมีความรู้สึกอยากเห็นคนอื่นๆเป็นสุขมีความสุขแต่เมื่อเห็นคนที่มีอายุมากๆแ0ดสิบบวกป่วยแบบรักษาไม่หายรอวันเสียชีวิตทำให้ตัวเองรู้สึกไม่อยากมีอายุยืนยาวควรวางใจอย่างไรดีครับก็วางใจเป็ น, เ ป, นเป็นการเฉยๆไปล้วควบคุมบังคับนังกายไม่ได้ ร่างกายมันจะเป็นอะไรก็มันก็มีเหตุมีปัจจัยของมันแต่เราสามารถอยู่กับทุกสภาพของร่างกายได้ถ้าเรายอมรับว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเหมือนยินฟ่าอากาศร่างกายก็เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะเขาจะอยู่แบบไหนเขาจะตายแบบไหนเราต้อสั่นไม่ได้แต่เราทำใจให้เราไม่เดือดร้อนได้ในการยอมรับความจริงของร่างกาย หากทําพูดสิ่งใดแล้วคนฟังรู้สึกแย่ทางทั้งที่เราไม่มีเจตนาที่ไม่ดีแบบนี้ควรจะวางใจอย่างไรดีครับก็ขาหน้าพูดคิดก่อนพูดเนี่ยตอนที่เราจะพูดอะไรต้องคิดนรนผนกระทบเป็นอย่างไรถ้ารู้ว่าเขาไม่ชอบให้เราพูดแบบนี้เราก็อย่าไปพูดเท่านั้นเองแต่เอาเอาเอาคาภัยพาะครั้งนี้เป็นเหมือนเป็นครูมาสอนเรา พี่พระอาจารย์บอกว่านั่งสมาธิต้องเข้าได้ทุกครั้งวัดอย่างไรครับเช่นนั่งครึ่งชั่วโมงต้องอยู่ในสมาธิอยู่กับกรรมฐานตลอดการนั่งโดยไม่หลุดไปคิดอย่างอื่นใช่ไหมครับไม่ใช่เข้าไปเลยห้านาทีก็นิ่งสงบไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องบริกรรมไม่ต้องดูแลาไม่ต้องอะไรยังสิจิตเนี่งสงบเฉยมั่งเฉยได้คนเรามีอายุไขของแต่ละคนจริงไหมครับ ก็มีอายุไม่เท่ากันนะแต่ไม่มีเหตุมีปัจจัยที่ไม่เหมือนกันบางคนก็ตายเร็วบางคนก็ตายช้าแล้ ม, มีตายตั้งแต่อายุหนึ่งวันก็มีข้อระมาแล้วก็ตายเลยก็มีแล้วก็อยู่ไปถึงร้อยกว่าปีก็มีมันไม่ของแต่ละคน เ, เหตุปัจจัยของแต่ละคนไม่เหมือนกันทําผมทําเว็บไซต์ ทำนำทําเทศนาพระอาจารย์และพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาพิมพ์เรียบเรียงใหม่ให้อ่านง่ายและแนบต้นฉบับไว้ทุกครั้งอย่างนี้ถือว่าผิดศีลหรือเป็นการบิดเบือนธรรมไหมครับคือในปกติของเราเนี่ยเราอนุ ญ, ญาตให้ใครเอาไปเผยแผร่ได้ในที่ไม่องของอนุ ญ, ญาตถ้าตามด้ทําด้วยการไม่ไม่มีคนตอบแทนคือไม่ไม่ได้นําออกไปขายเป็นต้นไม่ได้ไปหาอะไรได้ถ้าทำเพื่อเพื่อเป็นธรรมทานนี่ก็ ก็สามารถทำได้ไม่ผิดศีลแต่ยังได้การถวายเงินให้พระจะทำให้พระอาบัติเราควรฝากเงินไว้กับวิทยาบัญชกรถูกต้องไหมครับใช่มีปัญหากับคุณพ่อตัวเองคุยกันจัดทะเลาะกันตลอดใจรู้สึกทุกข์ ปัจจุบันตอนนี้ใช้วิธีเลี่ยงไม่คุยด้วยพระอาจารย์มีคําแนะนําไหมครับว่าควรจะทําตัวอย่างไรครับเกิดเขามีสืภาสิท์ที่พูดไว้ว่าให้สงวนส่วนต่างสารส่วนเหมือนถ้าเรื่องที่จะมีต่างความคิดเห็นกันก็อย่าไปคุยกันเช่นเรื่องการเมืองเนี้ยเราเชียร์พรรคหนึ่งเขาเชียร์อีกพรรคหนึ่งก็อย่าไปคุยเรื่องนี้แต่ถ้าเป็นเรื่องที่เหมือนกันเห็นชอบเหมือนกันชอบไปกินร้านอาหารร้านนี้เหมือนกันก็คูดคุยแล้วองกินอาหารได้ พมายามให้พูดแต่เรื่องที่เราเห็นเห็นตรงกันเรื่องที่ไม่ตรงกันเราก็อย่าไปพูดไปคุยกันพยายามเรียกเรียกอย่าพูดคุยกันทหารที่เสียชีวิตเพื่อชาติเขาได้บุญไหมครับเขาก็ได้ทั้งบุญได้ทั้งบาปบุญก็เกิดเขาได้ทําหน้าที่ทําการเสียสละชีวิตของเขาแต่เขาก็ถ้าเขา้าไปฆ่าพูดตายเขาก็ได้ได้รับบาป แต่การฆ่าของเขาด้วยแต่ถ้าเขาไม่ได้ตายกขไม่ได้ไปฆ่าใครเขาเป็นทหารแล้วไนถุกยิงตายเองเขาก็าจะได้บุญไหว้พระทุกวันไม่จุดธูปได้ไหมครับและไหว้พระทุกรูปต้องขึ้นน้ำโมทุกขบขูกองค์ไหมครับไม่จนเป็นไม่ต้องจุดธูป ก, การไหว้พระนี้ก็เป็นการแสดงความเคารพอย่างหนึ่ง ถ้าเป็นเทวดาสามารถบรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์ได้ไหมครับถ้ามีคนสอนก็ได้แล้วมีพระพุทธเจ้าแล้วมีพระอาหารหันต์ที่สามารถสอนเทวดาเทวดาก็สามารถนออําองไปปฏิบัติ จ, จนบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ก็ได้ <c oughs> อย่างน้อยก็ได้เป็นพระโสดาบันอย่างแน่นอนอย่างพระพุทธบารดาพุทธเจ้าทรงใบโปรดสแสดงธรรมให้บรรลุเป็นพระโสดาบัน แล้วหลังจากนั้นก็สามารถปฏิบัติไปให้เป็นผ้าอ่านได้ด้วยตนเองไม่ต้องมีครูสอนเลยนะพระเจ้าหนึ่งไม่ต้องไผลพระธรรมดาให้ถึงขั้นผ okay. ้าอ่านว่าท่านถึงขั้นโสดาแล้วท่านก็สามารถปฏิบัติต่อต่อยอดได้ด้วยตนเองมันจุดไฟพอจุดไฟไฟมันก็จะล่ามไปตามมีชื่อยรงไหนมันก็จะตามไปพอปฏิบัติธรรมพอฆ่ากิเลสได้แล้วตัวเองเราก็จะเมไล่ฆ่ากิเลสที่เหลืออยู่ไปโดยอัตโนมัติ กนอะไรเสก็จะไม่มีกิเลสของเหลืออยู่ในใจต่อไปทำไมพอเริ่มปฏิบัติธรรมถึงรู้สึกกังวลว่าพรุ่งนี้อาจไม่มีจริงต้องทำดีทุกวันแต่ทำไมคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมถึงใช้ชีวิตมีความสุขไม่ต้องคิดอะไรมากมายครับเพราเขาไม่คิดนะสิถ้าเขาคิดแล้วเขาก็จะไม่มีความสุขเขาเลยไม่กล้าคิดเกีเ่ยวกับ อ, อนาคตเรื่องการแก่เจ็บตาย แต่ก็ยังมีความสุขแบบสุขหลอกๆลอกพอไปเจอความจริงเข้าทีนี้ก็จะไม่มีทางที่จะมีความสุขได้พอไปเจอความแก่ความเจ็บความตายขึ้นมาแต่สำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมนี้เขามาซ้อมไว้ก่อนไงซ้อมซ้อมซ้อมข้อสอบคือต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะมีวิธีที่เราจะสามารถผ่านความแก่ความเจ็บความตายได้อย่างไม่ต้องมีความทุกข์ได้ถ้าเรามาฝึกซ้อมปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้า พอเราทําข้อสอบได้ต่อไปเวลาเราเจอของจริงเราก็จะไม่เดือดร้อนแก่ก็มีความสุขได้เจ็บไข้ได้ป่วยใจก็ยังสุขได้ตายใจก็ยังสุขได้เรามากักไดยินคําว่ามีอํานาจบารมีพร้อมๆกันเช่นนักการเมืองคนนี้มีอํานาจบารมีแต่ทั้งๆที่เขาคอร์รัปชันแสดงว่าเราเข้าใจความหมายคําว่าบารมีผิดมาตลอดเลยใช่ไหมครับ ก็มารมีมันทางโลกกับทางธรรมมันคนละความหมายระยะหลังนั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่าร่างกายบางส่วนเป็นกระดูกควรทำอย่างไรให้กลับมาเข้าสมาธิได้ครับก็ต้องใช้สติต้องมีพุโทโธพุโทโธพุโทโธดึงใจไว้ไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้สวดมนต์ทุกครั้งต้องชุมนุมเทวดาไหมครับ แล้วแต่เราไปชุมนุมก็ได้ไม่ชุมนุมก็ได้ครับครับความหมายคําว่าสัพเพธรรมาอนตตาติครับสัพเพแปลว่าทั้งหลายทั้งปวงธรรมาก็คือธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนคือสภาวะธรรมธรรมาก็หมายขึ้สภาวะธรรมเช่นร่างกายของเราก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งต้นไม้ก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งฝนตกแดดออกก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่ง เพราะตอนนี้ไม่มีตัวตนเป็นคนขี้ตกใจครับพระอาจารย์บอกว่าให้มีสติสติคือการบริกรรมพุโทโธแต่ไม่ได้พุโทโธตลอดเวลาแล้วจะมีสติได้อย่างไรครับฝึกไปเรื่อยๆมันก็ไม่ต้องบริกรรมเนี่ยว่ามันก็ปลูกต้นไม้ตอนต้นเราก็รับพายนวดน้ำพุน ด, ดินแบบนี้ๆก่อนพรอพอรากมันลงดินแล้วมันสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ต้องนดน้ำนพุน ด, ดินนะ ต้นไม้ก็จะกำลงเติบโตได้สติก็แบบเดียวกันตอนต้นก็มันไม่มีสติแล้วก็ต้องใช้พุโทโธ ม, มาตั้งสติครับพอตั้งไว้แล้วสติมันตั้งตั้งตั้งตัวของมันเองได้ ม, มันดูแลตัวมันเนงได้เราก็ไม่ต้องใช้พุโทโธแล้วมันก็จะมีสติรู้ตัวตลอดเวลาใจไม่ดอยไปที่นั่นที่นี่ใจตั้งมัน่นใจเป็นเหมือนหินนะตอนนั้นก็ไม่ต้องพุโทโธแะ การปฏิบัติธรรมเราต้องมีอิธิบาสสี่ 4. ผมวิหารสี่ควบคู่กันใช่ไหมครับมีทีมันเราปฏิบัติธรรมจริงเราก็ต้องมีอิธิบาสสี่ 4. เป็นเครื่องมือสนับสนุนศีลสมาธิปัญญาของเราอิธิบาสก็คือฉันทาต้องยินดีที่จะปฏิบัติศีลสมาธิปัญญามีความยินดีมีความพอใจเมื่อเรามีความพอใจเรายินดีเราก็จะมีวิริยะความพัญญาทานเพียรถ้าเราก็จะมี จิตตะเมวิในคอยควบคุมใจเราไม่ให้ไปทำอย่างอื่นให้ทำแต่สีนสมาธิปัญญาทั้งใจของเราก็จะคิดแต่เรื่องศีนสมาธิปัญญาไม่เคาะว่าจะปฏิบัติอย่างไรให้มันถูกต้องให้มันได้ผลขึ้นมานี่คืออธิบาตเเป็นเครื่องมือในการเจริญสีนสมาธิปัญญาเพื่อให้เกิดมัพปุลในผ่านตามมาก็เหมือนกับสัจจะอธิษฐานบารมเนอันเดียวกัน เป็นแต่ต่างกันใ น, ใ น, ใ น, ในความิยามทนั้นเองแต่ตั ว, ต, วตัวความเป็นจริงมันก็เหมือนกันทำไมถึงได้มีการเกิดขึ้นมาครับความอยากไงอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสทำให้โดวงวิญญาณ น, นี้ต้องไปหาน้ร่างกายเป็นเครื่องมือก็เลยมีการเกิดขึ้นมาถ้าไม่มีความอยากนะรูปเสียงกลิ่นรสก็มันจะไม่มีการเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมีร่างกาย ไปรับเงินซื้อเสียงเข้ามาครับแล้วลงคะแนนให้เบอร์อื่นบ้าไหมครับก็ลองลงกันก็ลองลงเขาโคลับลาออกมาถือศีลได้ยกเลิกการดูทีวีเน็ตฟลิกซ์คงเหลือลายควรยกเลิอกออกจากกลุ่มเพื่อการปฏิบัติให้ได้ผลครับเพิ่ ง, งได้หมดทันยิงยงย่งดี ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับทางโลกเลยอยู่ตามลำพากของเราจิตจะสงบได้ง่ายกว่าคนตายแล้วเกิดเลยจริงไหมครับก็เกิดเป็นดวงวิญญาณชนิดอะไรอย่างเงยอาจจะเป็นเทพเป็นพรหมหรืออาจจะเป็นเดรัจฉานเปไอเปรตไม่ใช่เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอะไรไปก่อนแล้วถึงจะห้อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่หรือไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วแต่ วิบากกรรมของแต่ละคนที่ทํามาไม่เท่ากันไม่เหมือนกันถ้าเราเป็นพี่แล้วน้องชายติดยาเสพติดมาลักขโมยของที่บ้านเราแล้วเราแจ้งความดําเนินคดีจนเขาไปติดคุกอย่างนี้เราเป็นบาปไหมครับไม่บาปแล้วมันการไม่มีความเมตตาน้องชยายแท้ของเรายัางไม่มีความเมตตาเขาเลยเป็นเรื่องของ ของการใช้ก็เรียกอะไรพระเดชน่ากับพระคุณเนี่ยถ้าเราใช้พระคุณก็ให้อภัยก็สงสารเขาเตือนเขาบอกเขานหาวิธีป้องกันไดให้เขามาทำอีกแต่ถ้าเราจะต้องการลงโทษเขาให้เขาเกิดลาภก็เราก็ไปแจ้งความให้เขาถูกจับไปจับไปลงโทษแต่อาจจะเป็นการก่อกรรมเขากเวรกันขึ้นมาก็ได้เขาจะกดแทงกดเครื่องเราอาฆาตพยาบาทเราก็ได้ คนข้างหน้าก็มีโอก า, าสก็าอาจจะมาทมางร้านเราก็ได้ <screening> คนที่รักษาสินห้าไม่ได้สักข้อเลยทําไมคนอื่นเห็นเป็นคนดีได้ครับไม่รู้เหมือนกันนะก็ถ้ออาจะเป็นที่กระเป๋าถ้ามีกระเป๋าเยอะมีเงินเยอะตรงกระเป๋าแล้ว เ, เรี้ยงเข้าบ่อยๆเขา อ, อาจจะเห็นว่าเป็นคนดีก็ได้ถึงแม้ว่าเงินที่นั้นเป็นเงนินที่เขาขโมยมา เขาเมองไม่เห็นเขาไม่รู้ว่าเป็นเงินที่ขโมยมาก็ได้คนที่ซื้อเสียงเขาแจกเงินนี้เขาได้บุญไหมครับคนที่ซื้อเสียงก็ เ, เป็นการค้าขายไไม่มีไม่ได้เป็นการ<อ>ได้บุญนการแลกเปลี่ยนค้ากันธรรมชาติของสัตว์เช่นแมวชอบจับนกจับหนูหรือกัดกันเองแบบนี้แมวไม่มีโอกาสไปเกิดที่ดีกว่าเดรชานไหมครับ ก็จนกว่าจะไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไม่ต้องไปไปไปทไําน้อยสัตว์ตัวอื่นนรืหรือเป็นลาเป็นหมาล้วมีคนเอามาเลี้ยงอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปไปทําบาปเพราะมีอาหารกินไม่ต้องไปทําบาปเขาก็จะได้ลดการสะสมบาปให้น้อยลงไปต่อไปเลยเขาก็จะคำแปลงเป็นมนุษย์ได้แต่เขายัางไปเกิดในสภาพที่เขายัางต้องทําบาปอยู่เขายังจะต่อต่อสภาพของการเป็นเดราาัจฉานของเขาต่อไปเรื่อยๆ ถ้าสงฆ์ที่ฉันมื้อเดียวแล้วถ้าเขามีโรคประจําตัวต้องทานยาหลังอาหารสามมือ้อจะต้องทําอย่างไรครับก็ต้องทางคนาด้วยเขาต้องเลือกดูเขาจะเอาอะไรเขาจะเอายาหรือว่าเขาจะเอาข้อวัดปฏิบัติอันนี้ก็เขาต่ดพระรูปนั้นจะตัดสินใจเอาเองแต่ยาเทั้งสองอย่างไม่ได้เจ้ะทำปฏิบัติกินมื้อเดียวแต่เของกินยาก่อนยินย า, ข อ, นยาของกินอาหารก่อนเพื่อกินยาอันนี้ก็ไม่ได้แล้วเขาผิดผิดกฎ ถ้าเราฝึกสติด้วยคําว่าพุโทโธพุธโทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกเวลาเราป่วยจะนึกพุโทโธหรือดูลมโดยอัตโนมัติไหมครับก็ทำไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นอัตโนมัติหรือถ้าทําให้จิตสงบ เ, งเฉยๆได้ก็ไม่ต้องไม่ต้องพุโทโธไม่ต้องดูลมเลยเราต้องการให้จิตวางเฉยไม่ให้มีการปฏิกิริยากับสิ่งต่างๆที่มันกระทบกับใจทั้งนั้นเองถ้าใจอยู่เฉยๆได้ใจก็จะไม่ทุก แฟนเป็นคนทำอาหารใส่บาตรแต่แฟนไม่ใส่บาตรไม่กรวดน้ำแล้วแฟนจะได้บุญไหมครับแล้วต้องกรวดน้ำให้เทวดาทุกครั้งไหมครับบุญนี่อยู่ที่ว่าเป็นของใครถ้าอาหารนี้เป็นของแฟนุแฟนก็ได้บุญคนที่ไปใส่บาตรนั้นก็จะไม่ได้บุญจากาการเป็นเจ้าของอาหารแต่จะได้บุญจากการรับใช้เจ้าของอาหารเอาอาหารไปใส่บาตรแทนเขาเมื่อใส่บาตรแล้วจะ จะให้บุญให้ใครก็ได้แตถึงผู้ที่นั่รับไปแล้วอย่างเทวดาเขาก็ไม่เขาก็ไม่เขา้ไเขาไม่รับหรอกเพราะว่าเขามีบุญมากกว่าผู้ที่ยังมารับบุญได้ก็เป็นพวกเปพวกเดียวมีเพื่อนที่ปฏิบัติธรรมด้วยกันเวลาเขานั่งกรรมฐานและเดินจงกรมเขาจะต้องเอาไปลงเฟซให้คนทั่วไปรู้อย่างนี้เขาได้บุญไหมครับุ <c oughs> บญที่เกิดจากการปฏิบัติกันเรื่องหนึ่งบุญที่เอาไป ไปแชร์นั่นก็ีกเรื่องคนจะเรื่องกันเขาก็ปฏิบัติเขาได้ได้ผลเขาก็ได้บุญการที่เอาไปแชร์นี่นก็ก็แล้วแต่ว่าเขาไปแชร์เพื่อเจตนายอย่างไรถ้ า, าไปในการเผยแผ่วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องก็ไม่น่าจะเสียหายทำไหมพยายามปฏิบัติที่บ้านแต่รู้สึกว่าทําได้ไม่ดีเท่าตอนไปปฏิบัติที่วัดควรจะวางใจอย่างไรครับ ก็เหมือนกับโรงพยาบาลกัเวลาไม่สบายเนี่ยอย่างไปโรงพยาบาลไม่ได้ก็ต้องรักษาที่บ้านไปพางๆก่อนจนกว่ารเราจะสามารถไปโรงพยาบาลได้เราค่อยๆขยับไปก็เหมือนกันถ้าเราปฏิบัติที่วัดไม่ได้เราต้องยังอยู่ที่บา้านก็ทําที่บ้านไปพังๆก่อนเราโอกาสรอจังวหวะรอที่เรามีเวลาแล้วก็ค่อย้ายไปปฏิบัติที่ที่วัดต่อ เด็กทุกวันนี้มีความคิดไม่อยากจะเลี้ยงพ่อแม่อย่างนี้เป็นเขาเป็นบาปไหมครับมันเป็นความคิดของเดกเล็กที่มันเป็นธรรมดาที่เราจําเป็นจะต้องคอยพร่ำสอนอยู่เรื่อยๆถึงยันขาถึงยัได้มีจิตสํานึกขึ้นมาอยาน่าเสียดายเพราะทุกยุคสมัยนี้เขาไม่สนใจเรื่องการสอนเรื่องคุณธรรมกันเด็กก็เลยโดยธรรมชาติมันก็ส่วนใหญ่มันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วพระเจ้าไปพูดไว้ว่าคนที่มีความกระตันอยู หายากถ้าเปรียบเทียวกบเหมือ น, นเขาวัวคนที่ไม่มีความกระตันอยู่นี่หาง่ายเป็นเหมือนขนวัวดูเส้ตัววัวตัวหนึ่ม่ขนเย่กี่เส้นแล้ว ม, มีเขาดี่อันนั่นแหละคือความกตันอยู่ความไม่กระตันอยู่เป็นอย่างนี้จึงจําเป็นที่ต้องคอยพร่ำสอนกันอยู่เร่อยๆแต่ทนี้ทั้งบ้านก็ไม่สอนทางโรงเรียนก็ไม่สอนเพราะไม่ไปวัดกันมันก็เลยไม่มีใครสอน มันก็เลยทำให้เห็นว่าการไม่เกิดการกตันอยู่นี้เป็นเรื่องธรรมดาไปเป็นเรื่องที่ไม่เสียหายยุคที่พระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองและมีผู้บรรลุธรรมเป็นจํานวนมากนั้นใช่ยุคปัจจุบันนี้หรือไม่ครับเป็นยุคศิวิไลหรือเปล่าครับไม่หรอกยุคที่พระพุทธเจ้าร ท, รทรงอยู่นี่แหละทรงที่มีพระชนชีพอยู่ น, นสะส5ปีของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นยุคที่พระฤาษีได้มากที่สุด จะทำอย่างไรถึงจะไม่กลัวความตายครับต้องนึกถึงความตายบ่อยๆน้ำปานะที่ควรจะถวายพระมีอะไรบ้างครับน้ำปานะแปลว่าน้าผลไม้ขั้นน้ำผลไม้ที่ยำผลไมที่ยมาคั้นได้ต้องมีเป็นผลไม้ที่ไม่ใหญ่กว่ากำปั้นเช่นถ้าใหญ่กว่ากำปั้นเช่นมะละกอยอย่างนี้สับปะรดอย่างนี้ อามาคั้นไม่เป็นน้ำปนานะไม่ได้ต้องเป็นผลไม้ที่เล็กกว่ากล้วยปั้นเช่นส้มและองุ่นอะไรเป็นต้นอะไนี้เวลาคั้นก็ต้องกรองการออกให้หมดไม่มีเหลื่อมมีแต่น้ําอย่างเดียวนี่เรื่องน้นําปานะเสียงที่พูดอยู่ในใจนี้ใช่เราหรือไม่ครับเป็นจิตตังขานเราเชื่อที่มันปรุงได้ไหมครับ คือจะเชื่อไม่เชื่ออยู่ที่ว่ามันจริงและไม่จริงไงถ้ามันตรงไปในเรื่องที่จริงเป็นสมัมมติสติก็เชื่อได้เช่นถ้าปรุงว่าโรกนี้กรุงนี้ก็เชื่อได้ถ้าไปไปปลูกว่าโรงนี้แบงก็เชื่อไม่ได้เราก็ต้องมีข้อมูลก่อนที่เราจะเชื่อและไม่เชื่อพระเจ้าบอกว่าได้ยินได้ฟังอะไรต้องใช้การในการมาสตรอย่าเพิ่งไม่เชื่ออย่าเพิ่งไปปฏิเสธให้เอาไปพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าจริงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่า อันนี้ก็เหมือนกันความคิดของเราบาทีก็คิดถูกก็เป็นมิจฉาเป็นสัมมาทิฏฐิบางครั้งก็คิดผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิใช่อะไรเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเราจะคิดว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเนี่ยเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเราจะพิสูจน์ได้ไหมว่าอันไหนจะเชื่อได้ไหรือไม่ได้แล้วก็หยู่ที่การปฏิบัติธรรมแลาวถึงจะพิสูจน์ได้ บางคนเห็นกล้องแล้วถึงทําบุญถ้าไม่เห็นกล้องจะไม่คิดทําบุญแบบนี้เขาจะได้บุญไหมครับทําบุญก็ได้บุญเน่ยไม่แน่จะได้ได้มากไดน้อยก็ต่างกันอยู่ถ้าทําบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยก็จะได้บุญได้บุญมากกว่าทําบุญด้วยความไม่บริสุทธิ์ใจแต่เขาก็ยังได้บุญอยู่เขาก็ยังต้องเสียสละมีมีจาคะชินสละเงินทองเข้าของเขาทาไปแต่เขาอาจจะทําเพื่อประโยชน์อย่างอื่นด้วย ในหน้ามีหน้ามีตาบางคนทําลบลุญก็ต้องแกะติดเชื่อไว้บนฟ้าผนังของกุฏิบ้างติดตามหน้าตาบ้างของโบสเนี่ยอันนี้ทําบุญเพื่อเอาหน้าเอาตาด้วยบางคนก็ทําบุญแบบเป็นทางหลังพระอันนี้จะได้บุญมากกว่าครับไปงานกระถินอาหารโรงทานจํานวนมากถ้าเรารับมาและไปถวายพระที่สํานักสงฆ์อย่างนี้ควรไหมครับ ถ้าเขาให้เรามาแล้วก็ออกไปได้แต่ถ้าเราตั้งใจที่จะไปเอานี่มันก็ไม่ควระ แ, แต่ว่าถ้าเขามีของเหลือแล้วเขาอขออเอาเนี่ยของเยอะๆไปเอาไปทําุต่ออย่างนี้เราก็อาไปได้แต่เราจ้ำ อ, อยู่ไปถึงก็ไปจ้าคอยเอาของที่เขาเป็นโลงทานเพื่อที่จะอาไปทําทํามุญกับวันอื่นกับพระหรืออะไนี่ก็ไม่ควรเพราะในความโลภอย่าทาด้วยความโลภมันมันได้ได้บุญไม่คุ้มเสีย ได้บุญการเอานไปเอาของไม่ให้ให้วัดอื่นแต่ในขณะเดียวกันใจก็เกิดความโลภขึ้นมาเป็นกิเลสอาจจะทำให้ไปเป็นเปรตต่อไปได้ต้องระวังหมาแมวถ้าตายแล้วไปเกิดใหม่ยังจะเป็นหมาเป็นแมวเหมือนเดิมไหมครับไม่แน่นอนความคิดที่เป็นอกุศลจะมีผลบาปไหมครับ ยังไม่บาปเป็นแต่เป็นความเป็นอกุศลคือสร้างความไม่สบายใจให้กับผู้คิดนั่นเองแต่ยังไม่ไ ม, มีไม่มีการไปกระทําทบาปยังไม่ได้ไปทําให้ผู้อนเสียหายเดือดร้อนยังไม่ต้องไปตกนรกที่คิดจะฆ่าคนนี้แต่ยังไม่ได้ฆานี้ก็ยังไม่ต้องไปตกนรกแต่ถ้าคิดแล้วเราก็ไม่ทําตามความคิดฆ่าคนตายอันนี้ต้องไปตกนรกด้วยจ่ายกระทุ้กร้อนด้วยจากการคิด การทำบาปพระอาจารย์อันนี้เป็นคอมเมนต์นะครับพระอาจารย์ไม่ตามมากครับฟังแล้วรู้สึกดีและเย็นในใจเหมือนมิสไซลมเบาๆมาพัดให้หัวใจเลยไม่รู้ว่าเรามีบุญอะไรถึงได้มีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนานะครับก็ส่วนยังอาศัย จ, จากบา ร, รมีที่เราสะสมมาในอดีตก็ได้ถ้าเราฝ่ายบุญฝ่ายกุศลพอเราเข้ามาเจอบุญกุศลที่ไหนเราก็จะวิ่งก่อหาทันที มืนน้ำกับน้ำกัน้ำมันเนี่ยมันมันจะไม่รวมตัวกันใช่ไหมเวลาน้ํากับน้ํามันไปผสมกันในขวดนี้แล้วเขย่ามันยังไงมันก็จะแยกออกจากกันพวกที่ชอบบุญก็จะไปอยู่กับพวกบุญพวกที่ชอบบาปก็จะไม่อยู่กับพวกบาปลูกๆไม่ค่อยมีเวลาทําบุญแม่ทําบุญแต่อธิษฐานแผ่บุญให้เทวดาประจําตัวลูก คนเป็นแม่ทําบุญแผ่ไปให้ลูกลูกจะได้รับไหมครับไม่ได้หรอกการทําบุญก็ต้องต้องทําันเองเหมือ น, ก, นกินอาหารรับประทานอาหารต้องกินนั้นต้องทําเองกินเองเราเกิดมาบนโลกนี้จริงๆไหมเจ้าคะหรือเป็นเพียงแค่การทํางานของรูป ก, กับนามเท่านั้นครับร่างกาย้มันก็เกิดไงแล้วเราไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราเราก็เรียกว่าเรามาเกิดบนโลกนี้ การกลอยของธาตุสีในน้ำลมไฟอาการ32ขอโอกาสครับเวลาไปฟังเทศนากุติเคยถวายของพระอาจารย์แต่ตอนหลังเห็นพระอาจารย์ไม่เอาอะไรเลยยกให้ลูกศิษย์ไปจัดการทั้งหมดทำให้ไม่อยากถวายอะไรแล้วทั้งๆที่ใจอยากถวายอยากทำบุญเสมอมันเพราะอะไรครับเพราะเราจอโจวมากเกินไปที่าให้ของเขาแล้เขาต้องใช้ของของเรา เราไม่คิดถึงว่านอกจากเราแนละ้วมันมีพระต้องกี่กี่รูปที่เขาไม่มีคนถวายของเของที่เหล่านี้ก็ส่งไปให้คนอื่นที่เขาไม่มีกันให้พระในส่งที่เขาขาดแคลนกันเราอย่าไปเจ้าจงกับบุคคลเพียงคนเดียวอย่างผู้เจ้าสอนว่าให้ถวายเป็นสังฆทานทุกคนอยากจะถวายให้กับผู้เจ้าเพียงคนเดียวแล้วถ้าผู้เจ้าเก็บไว้ใช้หมดแล้วคนอื่นก็จะอยู่ได้อย่างไงกัน โอเคแล้วนีการถวายสังฆทานของที่เรามารับส่วนพระทั้งหมดนี่เราถือว่าเป็นสังฆทานไม่ได้เป็นของของเราเราก็เก็บไว้บางส่วนที่เราต้องต้องการจะใช้เท่านี้แต่เราจะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนมาถวายให้มันไม่ได้เรา อ, อายุหกสิบแล้วบวชพระได้ไหมครับส่วนใหญ่ถ้าอายุมากนี่พระอุปัชฌาย์ท่านจะลังเลแต่ถ้าก็ยังอาจจะบวชได้ถ้าท่านเห็นว่ามี มีความเป็นไปได้ที่จะมาโนธรรมทนงานจะสนับสนุนก็ได้อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับพระอุกชาที่จะเป็นผู้รับบวชพระรูปนั้นว่าท่านจะรับหรือไม่รับเพื่อนบอกเวลานั่งภาวนาหากมีความคิดแว๊กเข้ามาก็ปล่อยให้คิดไปเดี๋ยวก็จะหยุดคิดไปใช่หรือไม่ครับจริงอ่ะยิ่งไวยคิดไว้ยิ่งคิดใหญ่ไม อ, อย่าไปคิดต้องกลับมาที่พุโทโธแล้วกลับมาที่ดูลมหายใจมันถึงยู่คิดได้ จับแม่ที่เป็นผู้หญิงได้ไหมครับเวลาท่านเจ็บป่วยตามพระธรรมวินัยครับไม่ได้เลยตามหลักพระธรรมวินยัยถ้ามีปราฏมาบอกว่าไม่ต้องไปปฏิบัติธรรมแต่ให้ฟังธรรมะจากท่านเท่านั้นให้ฟังทุกๆวันไม่เกินเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีแล้วจะบรรลุธรรมเราควรเชื่อหรือไม่ครับเ น, น่าแต่เขาหน้าเชื่อหรือเปลา่าล่ะ เวลาทํากิจการงานวางใจอย่างไรให้มีแรงจูงใจที่จะเพียรทํางานมากที่สุดแต่ไม่เกิดตันหาโมเมาในการทํางานครับก็ทำเพื่อเห็นได้ผลตามท ำ, ทำตามกําลังของเราแล้วก็ไม่ต้องกังวลถึงผลนี้เกิดขึ้นอาจจะได้บ้างได้น้อยก็แล้วแต่เหตุตามปัจจัยไปทําตามหน้าที่ทําตามกําลังของเราไป คนทำความผิดเราเอาผิดตามกฎหมายอย่างนี้เป็นบาปไหมครับไม่บาปแต่ใการจองเวรกันะไม่ให้อภัยเมื่อเราไปจองเวรเขาเขาอาจจะจองเวรเรากลับมาก็ได้มันก็ถูกลงโทษอีกครกพรอออกจากโคกมันก็อาจจะตามมาทําร้ายเราก็ได้บางวันไม่มีเวลาใส่บาตหรือบางวันที่ตื่นสาย ถ้าวันไหนที่พลาดไปหยอดกระปุกไว้แล้วรวบรวออกไปทําบุญต่อจะได้ทําบุญเท่ากับทําบุญใส่บาทุกวันไหมครับได้เหมือนกันถ้าฟังธรรมะทําสมาธิแล้วรู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายรู้สึกไม่ทุกข์กับอะไรเลยเพราะรู้ว่านั่นคือการปรุงแต่งของจิตทุกอย่างไม่มีอยู่จริงแบบนี้แปลว่าเดินมาถูกทางหรือยังครับถูกแล้ว ถ้าจิตใจว่าจิตใจสงบเจ็บไม่ทุกกับอะไรก็ถือว่าถูกทางนั่งสมาธิแล้วทนเวทนาไม่ได้ไม่นานเลยนั่งสมาธิแบบนั่งห้อยขาเพื่อหนีเวทนาได้ไหมครับได้แต่จะไม่ได้ก้าวหน้าทางด้านการปฏิบัติถ้าอยากจะให้ก้าวหน้าทางปฏิบัติก็ต้องนั่งให้มันเจ็บสู้กับความเจ็บด้วยการใช้สติรือบริกรรมพุทโธพุทโธหรือสวดมนต์ไปภายในใจ ถ้าเราสวดได้อยู่กับพุโทโธได้เหนือไม่นานอาการเจ็บก็จะเบาลงจนกระทั่งทําให้รู้สึกไม่เจ็บก็ได้ไม่อยู่ความเจ็บต่อไปได้มีหลานติดการพนันแล้วมาขโมยทองพระเครื่องไปแต่จับไม่ได้แต่เห็นหน้าเขาอยู่ทุกวันเราต้องวางใจอย่างไรครับก็ให้ความเมตตาเขาไปทำบุญทำทานเกี่ยวใช้นี่เก่าไปก็แล้วกัน คนที่สั่งให้ทำสงครามเช่นทรัมป์สั่งให้ไประเบิดหลายๆเมืองเขาสั่งแต่เขาไม่ได้ปล่อยระเบิดหรือลงมือเองทรัมป์ไม่มีบาปเลยหรือครับมีทำให้ก็ดีสั่งให้ผู้นทำก็ดีบาปเท่ากันลูกชอบซื้ออาหารไปให้ปลาที่วัดแต่ไม่ให้พ่อแม่ลูกจะได้บุญไหมครับอทำมือตัอปลาก็ได้บุญเหมือนกัน แต่ไม่ได้ทํากับพ่อแม่ก็จะไม่ได้บุ ญ, บ ญ, บ ญ, บญที่มันกะการทําบุญกับพ่อแม่เจอสุนัขโดนรถชนพิการซ้ําแล้วซ้าเล่าเป็นเพราะเราเคยทํากรรมร่วมกับเขามาใช่ไหมครับแต่เก็บมาดูแลทุกตัวเลยครับก็ไม่รู้แต่เหตุและปัจจัยมันไม่มีอแน่นอนก็ให้ดูในปัจจุบันกันแล้วกันว่าเราให้ความเมตตาเขาไปกันแล้วกัน ส่วเหตุที่ท้ายเข้ามาเกิดมาเจอกันอย่างนี้อาจจะไม่ทราบในเหตุอะไรบ้างคําว่าอนุมโมทนากับคําว่าสาธุต่างกันยังไงครับอนุมโมทนาก็คือความยินดีสาธุแปลว่าดีแล้วแปลว่าดีแล้ว <Okay. S 1> การการะทําของคนดีแล้วขออนุมโมทนาก็คือขอชื่นชมยินดีกับการทําความดีของคุณ การเรียนรายงานครับตอนนี้ลูกเห็นกระดูกตัวเองและภาพคนเบอรเป็นบางครั้งเป็นเพราะอะไรครับจะเป็นเพราะอะไรเราไม่รู้หรอือเป่าแต่สิ่งที่เราควรยันดูก็คือดูข้อกระดูกของคนที่เราลากเราชอบเป้าหมายของการปฏิบัติก็คือเพื่อให้เราลาความความลากความชอบการที่เราจะมีการมาลากกับบุคคลต่างๆ ถ้าเวาเรามีการมาราคาร้าเราเห็นโครงกระดูกของเขาใจของเราการมาราคาร้าก็จะหายไปได้มีวิธีสั้นรัดตัดตรงเข้าถึงพันิพาณไหมครับวิธีของการศีลภาวนาเนี่ยเจ็วันปฏิบัติเจ็ดวันได้ก็มันก็น่าสั้นที่สุดนะผู้ชารับประกันก็ต้องไปบวชในเงินทองในสมบัติเท่าไรก็บอยจากไปให้หมดยกใข่ไข่ไปก็ได้ แล้วก็ไปปฏิบัติสินสมาธิปัญญาภายในเจ็ดวันก็บรรลุธรรมได้มีคนบอกว่าเขาฝึกปัญญาโดยไม่ฝึกสมาธิจึงเกิดความสงสัยว่าการมีปัญญาโดยขาดการฝึกฝนสมาธิเป็นไปได้หรือครับคือปัญญามันมีสามระดับเนี่ยระดับแรกเนี่ยว่าปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังระดับที่สองเนี่ยว่าปัญญาที่เกิดจากการนำมาพิจารณาค่ายควรปัญญาสองระดับนี้ไม่ต้องมีปัญญาไม่ต้องมีสมาธิก็ได้ ปัญญาระดับที่สามเป็นปัญญาที่เราเอามาฆ่ากิเลสกำจัด ก, กิเลสได้นี้เรียกว่าภาวนาเมยปัญญาปัญญาระดับนี้ต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนถึงจะสามารถทำลายกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจได้ทุกอย่างบนโลกนี้เกิดขึ้นมาเพราะเราคิดข้อความนี้จริงไหมครับไม่จริงรทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัย ดินน้ำลงไฟก็ไม่เห็นมีปัจจัยเให้เข้ามาจนมันเจอกันมันมีปฏิกิริยากันก็ทำให้เกิดต้ไนไม้ใบหญ้าเกิดหนหนอะไต่างขึ้นมาเวลากายสังขารเจ็บควรวางจิตใจยอย่างไรครับไม่เฉยยอมรับความเจ็บไปอย่าไปอยากให้มันหาย คุณแม่ได้จากไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ยังไม่เสียใจไม่ร้องไห้เป็นเพราะจิตเรามีสติที่เข้มแข็งจากเราฝึกสติใช่ไหมครับลองถามตัวเราเองดูสิเป็นเพราะอะไรมันก็น่าจะเกลียดแม่แล้วแม่ตายไปก็ดีใจก็มีมันต้องค้นหาห า, หาสาเหตุนในใจของเราว่าเราเป็นเพราะอะไรฝึกสติในชีวิตประจําวันยังไงไม่ให้หลงลืมครับ ก็ให้มีพุโทโธอยู่ในใจอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่ใช่รูปไม่ใช่นามแล้วเราเป็นอะไรอยู่ไหนครับเราเป็นความคิดปรุงแต่งปรุงสร้างขึ้นมาเหมือนนิยายเป็นคนนิยายเขียนเขียนนิยายสร้างเราขึ้นมาเราเป็นตัวที่เกิดจากการสร้างของความคิดปรุงแต่ง หลวงพครับถ้าจะพิจารณาปัญญาต้องใช้สมาธิระดับใดครับคณิกะหรืออุปจาระหรืออั ป, ปนาครับอ ป, ปนาสมาธิต้องได้อ ป, ปนาสมาธิก่อนเวลาปฏิบัติภาวนาแล้วรับรู้ว่าตัวเองขี้โมโหมากแบบนี้เราปฏิบัติต่อไปไหมครับถ้าเราอยากจะกำจัดความโมโหเรากต้องปฏิบัติต่อ การปล่อยปลาได้บุญอะไรและเราควรพูดอย่างไรในขณะที่ปล่อยครับก็ให้ชีวิตฉลองเนี่ยบางกานเราถ้าเราทุกว่าทุกโทษบาปชีวิตเราได้รับพระราชทานภัยโทษนี้ก็แบบเดียวกันเห็นหมาแมวจรตกทุกยากเป็นทุกขมากร้องไห้ใช่กรรมใช่ไหมครับที่ปล่อยวางไม่ได้ครับก็เป็นเรื่องของกิเลสของเราขึ้นประทานยึดมั่นถือมั่น เราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเพราะที่จะทำให้ใจเราวางเฉยได้นั่งสมาธิทุกวันนอกจากได้ความสงบแล้วจะได้อะไรอีกไหมครับได้ความสุขนะเคยพูดกับตัวเองว่าจะไปบวชชีพรามที่วัด แต่ไม่สามารถไปได้สามารถทํายังไงได้บ้างครับเพื่อจะแก้ไขคําพูดครับก็ไปทําตามที่เราพูดเสียตอนนี้ยังทําไม่ได้ก็พรุ่งนี้ตัดสินใจไปเลยถ้าไม่ตัดสินใจทําเมื่อไหร่มันก็จะไม่ได้ทําทันทีเพื่อเพื่อที่จะทําให้เราได้ทําตามที่เราคิดก็ต้องรีบไปทําเสียก่อนที่เราจะตายบทสวดมนต์ทุกวันควรสวดบทไหนบ้างครับ บนไหนก็ได้การสวดมนต์นี่เป็นการเจริญสติเป็นการฝึกสติให้ใจเราเงียบให้ใจเราสมมงบเราชอบสวดบนไหนก็ใช้บนนั้นก็ได้ทําบุญโดยการบริจาคเงินให้ช้างหรือสุนัขในติ๊กต็อย่างนี้ได้บุญไหมครับได้คุณแม่เสียไปหนึ่งปีแล้วทําไมยังไม่หายเศร้าเสียใจครับแล้วควรจะปฏิบัติอย่างไรครับ ก็เรายัางอยากให้ท่านกลับมาอยู่กับเรายัางอยากท่ให้ท่านจากเอาไปมันก็เลยทำให้เราเศร้าถ้าเรามีปัญญาอย่างแั้วว่าอยากยังไงท่านก็ไม่กลับมาอยู่แล้วเราหยุดความอยากง่ า, งายอาการหายเศร้าอาการเศร้าก็จะหายไปนั่งภาวนาแล้วรู้สึกมีอาการเคลิมคล้มๆหูดับได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างเหมือนหลอดไฟกระพริ บ, บแล้วดับวูบไปเลยไม่รู้สึกตัว เกิดจากอะไรครับเสถีรหมดไงหมดเสถีภาวนานิ่งๆตามเสียงสวดมนต์ได้บุญเท่ากันไหมครับก็อยู่ที่สงบแนะไม่สงบโอ้ตอนนี้ตอบกับพระาอาจารย์ตอบคาถามหมดแล้วครับพอาจารย์ครับยังไม่ได้อบอกไม่ได้บอกพี่พี่น้องครับเหลืออีกสองนาทีนาทีเดียว ครับถ้ามีอีกสักคำถามส่งเข้ามาได้ตอนจะอ่านให้เลยนะครับแต่วันนี้ได้ปัญญาเรื่องบารมีแบบชัดเจนกระจ่างเลยครับอาจารย์ครับคุณแม่เสียชีวิตไปหกเดือนครับไม่ฝันเห็นเลย ท่านไปดีแล้วใช่ไหมครับเราไม่รู้หรอกท่านไม่มียาอย่างนั้นท่านจะไปดีไม่ดีอยู่ขึ้นบุญหรือบาปที่ท่านได้ทำเอาไว้อย่างไหนจะมากกว่ากันถ้าบุญมากกว่าบาปก็ท่านก็จะไปดีถ้าบาปมากกว่าบุญท่านก็จะไปไม่ดีโอคบคุณคำถามอาเต็มเลยครับอาจารย์เว <laughs> ลาหรดตีดด การให้เงินแตะเอียกับบิดามารดาหรือผู้มีพระคุณได้บุญไหมครับได้ดีการทำบุญตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เนี่ยเป็นบุญมากกว่าทำบุญอย่างอื่นครูบาอาจารย์ท่านมันกจะสอนว่า ก, ก่อนจะไปทำบุญนอกบ้านให้ทำบุญกับพระในบ้านก่อนทำบุญกับพระอาหาราก่อนเลี้ยงดูพ่อแม่ให้ท่านอยู่ดีกินดีก่อนให้นั่นมีความสุขก่อนเพราะท่านเป็นผู้มีพระคุณของเรามากม า, มากยิ่งกว่า บุ่งมุ่มากกว่าการตอบแทนบุ่งมุ่งเราจะสามารถตอบแทนบุ่งมุ่ของท่านได้คำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับดูแลพ่อแม่ด้วยตนเองกับจ่ายเงินคนมาดูแลอย่างไรได้บุญมากกว่ากันครับก็ท่านดูแลด้วยตนเองมันอาจจะมีความกล้ชิดมากกว่ากันดูแลได้ละเอียดกว่ากันก็ได้กว่าการที่เราจะจ้างคนอื่นมาดูแล ขอโอกาสครับอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆชมทางเฟซ543ทางยู573ในครับเฮา s e 7ในทิกตอก493นะครับรวม 1,616 ท่านครับอาจารย์ครับวันนี้เยอะนะมัวข้อคงจะดีบางคนดีทุน ใ, นใจครับก็ยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาเริ่มพัฒ น, นาธรรมหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็ น, น้อยสาหรับการสนทาสนาธรรมสาหรับคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรจะเวลา ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขการเจริญข้าวานหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอสาธุก็ขอลาคุณหมอแลนะท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ถ้าไม่มีเหตุการณ์ข้ามอันใดก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยในอาทิตย์หน้าขอเจริญพรกราบพระคุณพระอาจารย์ครับ